ที่จริงก็พูดถึงในเรื่องของตัวตัณหามานาทิฏฐิเนี่ยมานานแล้วที่เรียกว่าปัปัญจะ <c oughs> ทำทำที่ทําให้เนิ่นช้าแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของอนุสัยมีการมราคานุสัยเป็นต้นจนถึงอวิชานุสัยเป็นที่สุดได้พูดถึงการเกิดขึ้นของบรรดาอนุสัยปริยุทธานะวิติกมะ ซึ่งเห็นการเกิดขึ้นซ่อมสมกำลังของบรรดาบาปอากุศลทั้งหลายเหล่านี้ที่มันหนาแน่นในบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งไม่รู้ไม่รู้ภัยไม่รู้อันตรายไม่รู้จากเพชฌฆาตไม่รู้จักศัตรูภายในที่มันกําลังก่อตัวขึ้นมามันมีรากอย่างรากรึก ลงสู่ในห้วงขันธสันดานที่เรียกว่าสันตานุสัยหรืออารามานุใสัยัางที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการมราคานุใสปฏิคานุใสทิฏฐานุใสมานานุสัยวิจิกิจชานุสัยภาวะราคานุสัยและอวิชานุใสนะอนุสัยเหล่านี้มันก็กองพอดึงดึงทึกเต็มไปหมดเลยมันฝังแน่นอยู่ในขันธสันดานเป็นไปกับการสืบต่อกันของสังสารวัตร ทำให้สังสารวัตมันไม่ขาดตัวกระแสชีวิตนั่นเองมันไม่ยอมขาดแล้วก็บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีสติกำกับอยู่กับตัวไม่มีความเพียรที่สร้างสารรค์ไม่มีสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตแต่ละครั้งแต่ละขณะเนี่ยมันก็ปล่อยให้ตัณหามาณทิฐิใช่หเป็นตัวเป็นตัวขับเคลื่อนเวลามันเกิดความ การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสถูกต้องการคิดนึกเวลาใดเกิดการประชุมงังทางทวารตาปุ๊บก็เป็นการประชุมกันผัสสะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นนะ้รับสัญญาเกิดขึ้นวิตตกเกิดขึ้นนะครับนะครับก็เป็นปปัญญธรรมปรปัญญสัญญาเกิดขึ้นตัณหามานาทิฏก็เกิดเพราะเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งจากการที่ มันมีการเชื่อมต่อกันสองกรณีก็คือหมายความว่าจากการที่มนุษย์มีการบราคานุสัยเมื่อไปเห็นอารมณ์ที่น่าจินดีน่าเพลิดเพลินทั้งหลายเกิดขึ้นตัวการบราคาโนใสัยมันได้เหตุปัจจัยขึ้นมามันก็ฟุ้งขึ้นมากลายเป็นปริยัติฐานะเกิดขึ้นที่โฉนนาทันทีเพราะเกิดขึ้นชวนะาปุ๊บมันก็รับอารมณ์ทางมโนทวารเป็นต้นเหล่านี้จากการเชื่อมต่อทางจั ก, กุทวารเป็นต้นเหล่านี้ เพราะจากการที่เป็นเกิดขึ้นที่ชวนนะแล้วก็ผักออกมาเป็นเมื่อโวนนะนั้นเกิดมากมายขึ้นก็ผักมาเป็นวิติกรมกมีการกระทา ม, มีการพูดด้วยการผักดันกือเกิดความกาหนัดความยินดีความเพลิดเพลินเกิดขึ้นแล้วก็ไปทากรรมทั้งหลายเหื่นี้เป็นต้นทีนี้พอหลังจากที่เกิดชวนะเหล่านั้นเสพอารมณ์นั้นกินอารมณ์นั้นจบแล้วเนี่ยแต่ความ ติดค้างอารมณ์นั้นมันก็ดาวน์โหลดลงปุ๊บ เ, เก็บลงสู่เก็บลงสู่ขันธสันดานต่อไปมันเก็บอะไรบ้างเนี่ยตัวกรรมเนี่ยที่เรียกว่าตัวตั้งแต่สังวิธานกิจจะแล้วก็พีชานิธานกิจจะไอ้ตัวสังวิธานกิจจะตัวนี้เป็นตัวทํากรรมไอ้พีชานิธานกิจจะตัวเป็นตัวเก็บทีนี้มันเก็บไปพร้อมกับอะไรเนี่ยมันตัวกรณีเหตุการที่ว่า บรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังมีอนุสัยหรือว่ากิเลสทั้งหลายหเหล่านี้ยที่ว่ามันเกิดที่ชาวนานี่หยกรรมมันทําเจตนากรรมทั้งหลายชาวนะดวงที่หนึ่งสอามสี่ห้าหเจ็ดเนี่ยแต่ละครั้งที่มันทำกรรมด้วยความโลภกดหลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือไม่โลภไม่กดไม่หลงก็เป็นกุศลรกรรมไปไอตัวนี้ปุ๊บมันก็เก็บลงเส ม, อ เ, สมอเหมือนหนึ่งเก็บลง เ, เพราะว่าไอตัวกรรมนั้นมันไม่หายไปไหน ไอตัวเจตนากรรมเหล่านั้นเนี่ยทุกครั้งทุกกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้ยมันเกิดขึ้นมันก็มีพลังของกรรมมันมีพลังของมันมีกําลังของมันตรงนี้มูสัตว์ทั้งหลายก็ไม่รู้ว่ามันมันมากมายเหลือเกินไอตัวกรรมที่ทํามาแล้วในอดีตแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้พบนี้อันนั้นเขาเรียกกรรมเก่าทุจริตเก่าอาุปสรกรรมเก่าทั้งหลายเหล่านี้มันมากมายเหลือเกินใช่ไหม และมันเป็นเหตุแห่งการที่สัตว์ทั้งหลายเนะี่ยวิพิิตรผิดเพี้ยนต่อไปเพราะมันฝังเป็นอัธยาศัยเอ้อัธยาศัยตรงเนี้ยมันก็เก็บลงเป็นเป็นการมราคานุสัยบ้างเป็นปฏิคานุสัยบ้างเป็นมานานุสัยทิฏฐานนุใสวิจิกิชานุสัยเพราะว่าราคานุสัยแล้วก็เป็นอวิชานุใสงั้นอย่าอย่าแปลกใจเลยว่าเวลาเราไปกระทบเจอกับอารมณ์ใดๆที่มันคุ้นเคยกับ อนุสัยเหล่านั้นซึ่งมันเคยชํานาญมาแล้วเนี่ยมันจึงพร้อมที่จะพะทุกขึ้นมากลายเป็นจากอนุสัยเป็นปริยุทธานะเป็นวิติกรมะตลอดเวลาเลยมันก็เป็นการทํากรรมที่ไม่มีจบไม่มีสิ้นสัทีมูสัตว์เป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นอันตรายเขาเรียกว่าเป็นเพชฌฆาตเป็นอันตรายเป็นฆาศึกซึ่งมันฝังอยู่ในขันธสันดานนี้เองมันสืบต่อในขันธสันดานนี้เอง แล้วพร้อมที่จะระเบิดออกมาทุกเวลาในบรรดาหมู่สัตว์ผู้มีอวิชชากางกั้นอยู่ใช่ไหมมีตันหาประกอบไว้มีปัญหาประกอบหรือว่าดึงรั้งเขาไว้เนี่ยอวิชชาก็ปกปิดทําให้ไม่เห็นความจริงตันหาก็ประกอบหมู่สัตว์เหล่านั้นให้ติดอยู่ในภพติดอยู่ในสังสารวัตรมันเป็นทั้งมันอย่างนี้แหละนั่นอย่าแปลกใจว่าร่องลึกของบุคคลทั้งหลายเนี่ยแข็ง ทิฏฐเหล่านี้มันก็มีการเราจะเห็นชัดว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีพฤติกรรมออกมาต่างๆคนที่ถูกผลักดันด้วยการมราคะเป็นยังไงถูกผลักดันด้วยปฏิฆะเป็นอย่างไรถูกผลักดันด้วยทิฏฐิมานะวิจิกิจฉาหรือเพราะว่าราคะติดข้องในขันในภพทั้งหลายเหล่านี้จนถึงอวิชชาที่มันผลักออกมากลายเป็นพฤติกรรมที่มันฝังร่องลึกและมันแก้ไม่ได้กลายเป็นวาสนาติดพันอยู่อย่างนี้ คนที่มีบุคลิกภาพพูดเสียงดังพูดเสียงเบามีชอบแต่งตัวไม่ชอบแต่งตัวมีสีหน้าแววตาไหมไอ้กิเลส ต, ตัวเนี้มันเป็นตัวจัดสรรร่นก็ร่วมกับกล่อมใช่ไหมที่มันจะทําให้ตนเองเป็นคนมีบุคลิกภาพอย่างไรมีทัศนคติความคิดอย่างไรเนี่ยมันเลยออกมาเป็นร่องลึกหมดเลยแม้เป็นพ า, ารหันแล้วบรรดาร่องรอยแห่งความหยาบร่องรอยแห่งความกระด้างร่องรอยแห่งการกระทําใดๆก็แล้วแต่ ความคุ้นเคยใดๆเนะี่ยทั้งๆไอตัวกิเลสเคลื่ออนุสัยถูกถอนแล้วไอตัวพฤติกรรมที่แสดงออกมามันก็ยังมีเหลืออยู่เลยติดไปเขาเรียกเป็นวาสนาจะเสียงดังเสียงหยาพูดจาไพเราะไม่ไพเราะมีสีหน้าถลึงเป็นคนชอบไอตาแข็งกล้าวไม่แข็งกล้าวยังไงไอบุคลิกภาพมันถูกกิเลสกระทา ย, ย่ํายีกันยับเยินเลยนะ ไอ้ถูกกรรมที่มันบวกกับกิเลสทั้งหลายเลยเนะียมันเลยกลายเป็นบุคลิกเฉพาะตัวพฤติกรรมเฉพาะตัวเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนั้นทั้งๆไอ้ตัวรากกาวคือกิเลสอนุสัยมันถูกถอนแล้วแต่ร่องรอยตัวนี้มันยังคงเหลืออยู่เหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ทายานปัญญาถอนรากของกิเลสหลุดออกไปแล้วเนี่ยกิเลสมันหลุดจริง แต่ความที่ปัญญายาเนี่ยไม่รอบในการที่ชาระสาสางพฤติกรรมและบุคลิกภาพเดิมๆนั่นออกไม่หมดเพราะความเป็นผู้ที่ไม่เกล้ากล้าไม่ไม่ปัญญาไม่หนาแน่นปัญญาไม่กว้างขวางปัญญาไม่ร่องไม่ว่องไวปัญญาไม่รวดเร็วปัญญาไม่แหลมคมเหมือนสัมมาสัมพุทธะใช่ไหมสัมมาสัมพุทธะเนี่ยท่านเดินปัญญามาอย่างอย่างยาวนานฉะนั้นเวลาท่านเดินกรรมฐานท่านเดินทุกๆกกรรมฐาน ฉลาดในทุกกรรมฐานแล้วก็พลังของสมาธิระดับยิ่งใหญ่ไพศาลพลังของปัญญายิ่งใหญ่ไพศาลเวลาท่านชำระถอนอนุสัยกิเลสออกมาแล้วเนี่ยพฤติกรรมหรือความเคยชิ น, นถูกขจัดไปด้วยเพราะท่านจะมียา น, นำหน้าทุกเรื่องเลย กระบวนการความคิดก็มีพยานนําหน้ากระบวนการการกระทําทางกายทั้งหลายก็มียานชําระนําหน้ากระบวนการคําพูดทุกชนิดก็มีพยานนําหน้าอดีตอนาคตปัจจุบันมียานนาหน้าหมดเลยมีพยานชําระสาสาหมดเลยฉะนั้นพฤติกรรมหรือล่องลอยที่มันเป็นวาสนาทั้งหลายจึงขาดสะบั้นหมดเลยซึ่งต่างกับปัญญาโน้ยของบุคคลที่เป็นพระนาหันตาเจ้าทั้งหลายซึ่งมาล่องเดียวช่องทางเดียวไม่ได้รอบไม่ได้รอบไม่ได้รอบจัดไม่ได้ใช้ปัญญายานบุน เนี่ยทำทำลายกิเลสไม่พอไอตัววาสนาพฤติกรรมที่มันที่เป็นความคุ้นเคยของกิเลสพฤติกรรมที่เป็นความคุ้นเคยของอนุสัยทุกตัวเนี่ยมันถูกถูกถูกชำระหมดเลยปัญญายาณของสัมมาสัมพุทธะฉะนั้นสัมมาสัมพุทธะจึงยิ่งใหญ่มากยจึงยิ่งใหญ่มากนอกจากตัวอนุสัยกิเลสถูกทําลายปฏิวิถานกิเลสถูกกาลายวิติกรรมกิเลสถูกกาลายไอตัวกิเลสถูกทําลายเกลี้ยงหมดไม่พอ พฤติกรรมของของอนุสัยกิเลสที่มันทําให้มีมันมีร่องรอยตรงไหนร่องรอยที่มันเหลืออยู่ถูกถูกจัดการเคลียร์หมดร่องรอยของปริยุทธานะถูกเคลียร์จัดการหมดตัวยานปัญญาที่กว้างใหญ่ไพยศาลพฤติกรรมของของวิติกรรมะที่เป็นร่องรอยแห่งความ เคยชินจากการเสียงดังเลยจากการพฤติกรรมหยาบคายไม่หยาบคายอย่างไรก็แล้วแต่ถูกจัดการเขีย่ประเด็นเหล่านี้หมดเลยเขาเรียกว่าคลีนหมดเลยนะสะอาดจริงๆเลยพระสัมส ม, มาสัมพุท ธ, ธานะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกอย่างมหาปุธธริสละขณะ3าประการนุกิจชนะ80ที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายหเหล่านี้ถูกญาณปัญญาเข้ามาเขีย่ประเด็นหมดว่าไม่ให้กลิ่นไอของกิเลสไม่ให้กลิ่นไอของบาปกุศลธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายเน่ยเข้ามาเป็นปัจจัยหรือล่องลอยให้เหลืออยู่เลย ฉะนั้นพระ อ, องค์จึงมีความงามบริสุทธิ์เวลาพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยไม่มีเลยนะแม้แต่กากระดิกนิ้วแต่ละครั้งไม่มีเลยที่จะไม่มีพยานนำหน้าจะไม่มีอาการความเคยชินด้วยอำนาจของกิเลสหรือวาสนาใดๆมาผักให้มีการกระดิกมือหรือการมองหรือการแย้มยิ้มหรือการทํากิจกรรมใดๆไม่มีเลยปัญญาจะมาเคลีนมาจัดการอย่างรอบครอบหมดเลยมองเห็นหรือยังนี่คือสัมมาสัมพุทธ เออนี่เราก็จะได้เข้าใจโอ้เป็นอย่างนี้ฉะนั้นบรรดาหมู่พระอรหันตาเจ้าทั้งหลาย ท, ทั้งทั้งที่ถอนอนุสัยกิเลสแล้วก็ ย, ยังมีพฤติกรรมคือความเคยชินล่องรอยนั้นหลงเหลืออยู่เราจึงไม่เข้าใจสัพพัญญตยานไม่เข้าใจอนาวรณยานอินทรียโปรปริยตยานมหากรุณาสมาปฏิยานยมกถปฏิหาริยาานอาสานุสสยยา น, น, ยายานอย่างแท้จริง เราเข้าใจนิดขนาดเข้าใจนิดหนึ่งมันยังชื่นใจขนาดนี้จะ่ไหฉะนั้นมรรคขยานปัญญายานในโสดาปฏิมรักสกาธาคายมิมรักอนาคามรรคอารัตมรักร ก, ก็เรียกยานในมรรคทั้งสี่ซึ่งเรียกโพธิของพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายทุกๆระดับจึงมีความตากกันสุขุมลุ่มลึกที่ต่างกันเป็นไปตามลําดับแห่งการสั่งสมยานปัญญานั้นทั้งๆ ท, ท, ที่ถอนกิเลสเหมือนกันแต่ ความติดตร่องในวาสนาที่ยังหลงเหลืออยู่เหลือน้อยเหลือมากไม่เท่ากันขนาดถึงว่าไม่เหลือเลยคือสัมมาสัมพุทธธามันจะมีความต่างกันหลากหลายนี่พูดถึงด้านรู ป, ปรธรรมเราทั้งหลายพอ เ, เห็นอย่างนี้แล้วจะได้เข้าใจพวกเราเนี่ยกระแสชีวิตเราที่มันตูถูกการสั่งสมอนุัยกิเลสมาอย่างยาวนานแล้วหมักหมมอย่างมากมายแล้วมหกมา ย, ยัง นะไอ้ตรงนี้เป็นระเบิดเวลาที่พร้อมที่จะประทุขึ้นอย่างต่ออย่างตลอดเวลาเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยนะถ้าตราบใดถ้าเราถึงแม้เราจะเป็นคนดีที่ไม่ล่วงละเมิดกรรมทางกายทางวาจาหรือพฤติกรรมถึงแม้สภาพจิตใจของเราที่มีเราจะอยู่ด้วยด้วยมโนธรรมสัพพิสธรรมหรือสมถะกรรมฐานสติความเพียรปัญญาระดับ ที่สามารถจัดการความกุ้มรุมของกรารมชันท่าพยาบาทีนะมิธาอุทธจารกุจวิจกิจกฉาได้ระดับหนึ่งมันก็เป็นเพียงแค่ปลอดภัยในอัตภาพนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเท่านั้นเนี่ยมันมันเป็นลักษณะอย่างนี้ฉันถึงบอกว่ากิจของเราที่เราจะต้องมามานสิการหรือใส่ใจให้ดูก็เอานี้ย้อนดูว่าย้อนดูในเรื่องของ วันนี้สิ่งที่เราทํากรรมมาแล้วเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาได้กระแสขันได้กระแสชีวิตได้อัตภาพมาใช่ไหมเราทํากรรมมากรรมที่ทํามานั้นมันเป็นกุศ ล, ลกรรมก็จริงอยู่เจตนากรรมเป็นกุศลเลยนะเป็นกุศลกรรมมาบทให้ผลในการเกิดเป็นมนุษย์ที่นี่ในกุศลกรรมมาบทที่เป็นกรรมนั้นเนี่ย มันมีอะไรควบคุมมีอะไรกํากับอยู่สังขาระที่มันเป็นพลังของการปรุงแต่งที่เป็นปุสนมันมีอวิชชาใช่ไหมความไม่รู้มีตัณหามีอุ ป, ปาทานคือคติทั้งหลายนะ่ยมันเป็นตัวกํากับอยู่เบื้องหลังกรรมที่ทําให้ได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์มันมีความไม่รู้มันมีความยึดมั่นถือมั่นและมันก็มีตัวอุป มันก็ต้องมีมตัวตันหาเป็นตัวประกอบที่ทําให้กระแสของรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวทุกขสัจจะอันนี้เรียกกุศลสังขารเนี่ยเผลผลิตของกุศลสังขารที่เราได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจเมื่อมันเป็นผลของกุศลสังขารเราได้ตาคือจักรคูประศาส ต, ตัวจักรคูประสาสเนี่ยมันเป็นตัวกรรมมิชรูปรูปที่มันเกิดจากกรรม ที่มีตัวกุศ ล, ลกรรมเป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดแต่มันมีตัณหาอยู่เบื้องหลังมันมีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นแล้วมีความไม่รู้เป็นต้นอยู่เบื้องหลังมันเกิดขึ้นจากเจตนาที่ปรารถนาจะได้จากขุประสสัดและมันปรารถนาที่จะได้เห็นนั่นแหละเป็นปัจจัยเห็นไหมพม่อมีฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยว่าไอ้ตัวรูปปตัตนหามันมีกําลังมากเราวยังปรารถนาตา สัธธทธตันหามีกำลังมากเราจึงปรารถนาผูคันธาตันหามีกำลังมากเราจึงปรารถนาฐานภาษาพิจมูระศาสตันหามีกำลังมากเราถึงปรารถนาประสาทลิ้นหรือมีลิ้นที่รับรสโพธพตันหามีกำลังมากเราจึงปรารถนากายที่ได้สัมผัสถูกต้องนี้แล้วก็ธรรมะตันหามีกำลังมากเราจึงปรารถนาวิญญาณหรือมโนวิญญาณหรือใจเนี่ยเพื่อจะได้มาอัตภาพตรงนี้ ฉะนั้นในตัวรูปปัตนหาสัทธตันหาคันธตันหารัศดาตนะโพธพตนะธรรมตัน ห, หาเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังอุปาทานคือความยึดมั่นว่าอันนี้เป็นอัตภาพของเขามันมีความไม่รู้ว่า น, นี่มันคือทุกขสัตว์แท้มันคือทุกขสัตว์แท้ฉะนั้นกรณีแห่งการที่เราได้ได้ทุกขสัตว์มาในกลุ่มก้อนของทุกขสัตว์ทั้งรูปธรรมและนามธรรมมาแล้วเนี่ยมันจึงง่ายต่อการที่จะวิปริตผิดเพี้ยนมาก เพราะมันมีตัวอวิชาตัญหาอุปาทานและมันมีตัวอนุสัยมันติดแน่นในขันธสันดานมาฉะนั้นเวลาทํากรรมมากุศลกรรมทั้งหลายเหล่านี้เราทํากรรมเนี่ยเราก็ได้ทั้งทรัพบริวารทรัพย์เอยเกี่ยวกันในเรื่องของทั้งทรัพเออยสิ่งของทั้งหลายทั้งบริวารสมบัติอิสริยะทั้งหลายเนี่ยมันมาสมมติกุศลมัมีกําลังขนาดไหนพึงรู้ไว้ว่า ทั้งหมดเหล่านั้นน่มันมาจากกรรมที่ทำพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยปกปิดไว้ฉนันเวลาเรามาเกิดมาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มันจึงง่ายต่อการที่มายินดีมาเพลิดเพลินมามัวเมามารุ่มหลงมาเครียดมาโกรธมาโลภมาหลงกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเลยเราไม่สามารถที่จะว่าแต่กระแส โทสะสัจจะของตนเองกระแสโทสะสัจจะที่เนื่องกับตนที่เนื่องกับตนเองเนี่ยที่เรียกว่าสำคัญว่าเป็นของของตนเนี่ยใช่ไหมพอมาได้กระแสของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจปุ๊บมันก็มาล็อกว่าเราใช่ไหมนั่นเรามันเป็นตัณหาตัณหามันยึดแล้วนั่นของเราเนี อันนี้มันเป็นมานะและนั่นอัตราตัวตนของเรานี่เป็นทิฏฐิเพราะเอาตัณหามาณทิฏฐิเนี่ยมันเกิดร่วมกันกับกรรมเมื่อแต่งทกษัตริย์จะมาตัวตัณหามาณทิฏฐิที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็ถูกตัวอนุสัยที่เป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวฐานลึกที่มันติดแน่นในขันธสันดานเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาเป็น ปริยัติฐานะที่ชวนะมันก็เลยยึดปึ๊กขึ้นมาเลยว่า น, นี่เราของเราอัตตาตัวตนของเราทั้งตัณหามานาทิฐิมันก็หมุนอยู่ในชวนะแล้วก็มีพฤติกรรมออกมาที่เป็นวิติกรมะโอ้โหผักดันออกมากระทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของไอตัณหามานะทิฐินั้นแล้วมันก็จํา ร่วมกับสัญญาที่เป็นตัวปั่นทั้งหลายเนี่ยมันเลยเป็นปรับปั่นจัดสัญญามันทำให้การยึดติดหมุนเวียนปรุงแต่งแล้วก็กว้างขวางพิศดารมากมายในการที่จะติดอยู่หลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่แปลกใจว่าเรามองเห็นในบ้านในรั์ในสถานที่ต่างๆเหล่านี้มันไม่มีมันไม่มีจุดไหนเลยที่จะไม่มองว่า บ้านเราที่ดินของเราทรัพย์ของเราบุตรของเราญาติของเราลูกน้องของเรารถของเราเนี่ยมันไม่มีเลยมันมีบอกกล่อมทุกขณะทุกขณะโชวนาที่เห็นปุ๊บทีไรก็อา้านี่มันมั น, ม, นมันโทรศัพท์เรานี่มันเสื้อผ้าของเราทุกโชวนาที่ตั้งขึ้นมามันก็รัดลึงอย่างนี้ตลอดมันจากสันตานานุสัย ปะทุขึ้นมาเป็นอารมนาอารมนานุสัยมันเชื่อมโยงกันมากลายเป็นปริยุทธะเป็นปริยุทธานะเป็นวิติกมะมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีช่องทางออกเลยนะถูกมัดมือมัดเท้าอยู่อย่างเงี้ยไม่มีช่องทางออกเลยว่ามูาสัต์เนี่ยมันถูกปิดกั้นหมดเลยนะเนี่ยถูกล็อกหมดเลยไม่เห็นฉนั้นอย่าแปลกใจเลยว่าที่บอกว่า ถ้ายิ่งมีทรัพย์มากความเป็นอัตตาตัวตนมันก็ขยายความเป็นเราของของเราอัตตาตัวตนของเรามันก็ขยายพื้นที่ยิ่งมากเท่าไหร่การกินพื้นที่การกินพื้นที่ของตัณหามรณะทิฏฐิก็ยิ่งขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามปริมาณของการยึดถือนั้นเห็นไหมว่ามันมันมันได้อาหาร ได้อาหารอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็ขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่าแปลกใจว่าอารมณ์ทุกอารมณ์สิ่งของทุกสิ่งของในในที่เป็นบริเวณของเราหมูสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปข้างนอกเนี่ยมันจึงไม่คุ้นเคยเพอกลับมาเข้าในบริเวณในแอรเรียนในสถานที่เกิดความคุ้นเคยตั้หากล่อมว่านี่ของเราปลอดภัยแล้วเนี่ยนะ มันจะเกิดความคุ้นเคยดันดีเพราะมันยึดมันยึดแล้วสัตว์ที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยกระบวนการความคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าสีลพัพตรประมาสัมันออกอยากวตตะไม่ได้กระบวนการความคิดแบบนี้มันเป็นกระบวนการความคิดที่อยู่ในอนุภาพของตฐานะทิฏฐิมันควบคุมไม่มีทางเลยมันจะออกได้ยังไง เพราะมันไม่ถูกชำระความเห็นอย่างท่องแท้อย่างชัดเจนมันไม่สามารถวิจัยจนเข้าใจอย่างท่องแท้จริงๆมันจะไปออกได้ยังไงมันก็ทําให้ทานตามความเห็นตนเองรักษาสีตามความเห็นจเจริญภาวนาตามความเห็นของตนเองคําว่าตนเองตามความเห็นของตัณหามนาันนะที่จะอนุญาตหรือจะคอยกํากับอยู่เท่านั้นเองอย่าลืมว่าอาสวะเนี่ยถ้าว่าโดยภูมินุนเพราะว่าภูมิหนึ่ง ขอบเขตของเขาถ้าว่าโดยทำมากมันโคตรตละพูเนะอมันมันปิดไว้หมดมองเห็นไหมต่อให้คุณจเจริญยังไงเบ็ดเสร็จเขาก็กํากับอยู่ดีถ้าคุณไม่ฉลาดพอถ้าคุณไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมันก็กํากับอยู่นี่นี่คือนี่คือปัญหาซึ่งมันซึ่งซึ่งตัวตัวอกุศลทั้งหลายเนี่ยอกุศลทั้งหลายหรือบาปทั้งหลายอนี่มันปิด มันปิดขนาดนั้นฉะนั้นเมื่อเมื่อเข้าใจสภาวะของกิเลสตัณหาอย่างนี้ซึ่งมันชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยถ้าถามว่าเวลาแห่งการที่เราจะฟังข้อมูลในการที่จะขวนขวายในการดำเนินชีวิตให้ถูกทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทา กับการขวนขวายกิจกรรมเพื่อจะทําให้ตัณหามานาทิฐิมันทําให้เราดําเนินชีวิตในทางที่ผิดอันไหนมันมากกว่ากันเราสังเกตอย่างนี้นะเราสังเกตดูเวลาเราจะไปพบพระพุทธเจ้าไปฟังพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามันจะมีข้อแม้เต็มไปหมดแต่เวลาเราไปตอบสนองตัณหามานาทิฏฐิเนี่ยยากแค่ไหนเราก็ทําและเราไม่เคยผิดนัดเนี่ย เราจะสังเกตได้ว่าแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเวลาจะไปฟังธรรมจะไปเจริญกุศลไม่ไปยังไงนั่นยังไงลาบากไม่ลาบากยังไงวันนี้ว่างไม่ว่างยังไงต้องขอร้องอตสระมาแล้ทีดีถ้าตรหามา้วที ท, ที่อนุญาตเพราะอยู่ในขอบเขตของเขาว่าให้เวลาชั่วโมงเดียวนะแล้ว ร, รีบกลับมาหาเราเนี่ยถ้าไปก็ต้องไปเขาก็คอยมาสะกิดตลอดว่าอย่าอย่าทรงใจอย่าอย่าศรัทธา ปัญญามากนะอย่าศรัทธาพระเจ้ามากนะคอยดึงเข้าไว้ดึงเข้าไว้ เ, เดี๋ยวบ้านเรายังมีนะทรัพย์เรายังมีนะบุตรภรรยาสามีญาติมิตรที่ของเราที่เราจะจัดแจงมันมีอยู่นะมองออกไหมมันคอยกระตุกตลอดเวลาเนะ่แล้วเราก็บอกรู้นะว่าฉันไม่เป็นอื่นจากเธอหรอกอะไรเงนะี้ยนี่ยเออมันมันเป็นอย่างนี้จริงจริงจริงหมบอกไม่ต้องห่วงฉันนะ่ะซื่อสัตย์กับเธออยู่แล้ว ก็เธอคือเนื้อคือตัวเนี่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยพอให้ไปรู้พระธรรมพอรู้ได้สักพักหนึ่งมันก็ตันหาทิฏฐิก็ล็อกมันก็ล็อกอีกมันมันไม่ได้เจริญธรรมะมันจำธรรมะมันไม่ได้เข้าถึงธรรมะแต่มันจำธรรมะเอาไว้ เอาไว้พูดบ้างเอาไว้อวดอ้างบ้างเนะเอาไว้เป็นเครื่องเครื่องทำให้ตัวเองฟูใจบ้างว่าเรารู้มันมันไม่ผักออกมาเป็นการปฏิบัติออกมาจริงๆงเนะีมันมันเป็นแบบนี้นะไอ้หน้าตากองมันไอไอ้กิเลสกลุ่มนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีเงื่อนไขเต็มไปหมดมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นความเห็นที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดให้ไปรู้พระธรรม มันก็แอบรับรู้ธรรมะพอเรา ร, รับรู้ธรรมะไปเศร็จปุกบกันมามันจะมีความรู้สึกว่าเราจะช่วยคนนั้นยังไงเราจะบอกคนนั้นยังไงไอ้คนนั้นตรงไอ้คนนั้นไม่มีธรรมะน่าเกลียดยังไงเป็นต้นเงี้ยฉั้นถึงบอกว่าถ้าคนรู้ธรรมะรู้ธรรมะหรือเข้าถึงหรือปฏิบัติธรรมะจริงๆเวลาหนึ่งเห็นตนเอง เห็นอนุสัยก so ิเลสของตนเองแต่ละตัวทุกตัวเลยนะที่เป็นระดับอนุสัยกิเลสและเข้าใจกระบวนการเข้าใจกําลังเข้าใจศักยภาพเข้าใจลักษณะลักษณะประจุบันประธานประทฐานของมันทุกตัวอย่างชัดเจนเลยและเวลามันก่อตัวขึ้นมาจากการได้เหตุปัจจัยจากการเห็นการได้ยินปุ๊บมันเชื่อมขึ้นมาเมื่อไรปุ๊บพอมีการสัมผัสเกิดขึ้นทั้งจักรูสัมผัสสะเกิดขึ้นตัวเวทนาเกิดขึ้นตัวสัญญาเกิดขึ้นตัววิตกเกิดขึ้นตัว ปัญหาจะเกิดขึ้นยังไงมานะจะเกิดขึ้นยังไงทิฏฐิจะเกิดขึ้นยังไงมันเห็นมันจะเห็นว่าไอ้จุดเชื่อมต่อ น, นี้สติสัมปชัญญะเขาจะทํางานอย่างสติสัมปชัญญะความเพียรที่สร้างสรรจะคอยทํางานในทวารนั้นๆ อ, อย่างแข็งขันเลยปิดกัน้นไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้สติปิดกัน้นไม่ให้ราคะโทสะโมหะไหลเข้าสู่จิตไม่ให้ไปเชื่อมไม่ให้ตัวอนุสัยมันฟุ้งขึ้นมาตัวสมาธิจัดการกันไว้ ความเพียรที่สร้างสรรเพียรประคองสติป ร, ประคองสมาธิเข้าไว้และในขณะเดียวกันเป็นฐานในปัญญาเข้ามาวิจัยวิจัยทั้งวิติกรมะหรือิฐานะแล้วก็พร้อมที่จะเจาะลึกลงไปในในฐานลึกเลยนะพร้อมที่จะใช้ปัญญายานสติล็อกตัวกามวัชันทากามกามราคะหรือกามกามราคานุสัยเนี่ยล็อกตัว น, นั้นให้เห็นว่าเนี่ยกำลังมันอยู่ตรงนี้นะเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้นะจุดมันอยู่ตรงนี้นะ ปัญญาเหมือนสว่านทะลุทะลวงเข้าไปเพื่อจะจัดการมันให้ได้ขนาดนั้นเลยนะีเนี่ยพร้อมที่จะทะลุทะลวงดึงเข้ามาวิจัยแยกแยะนะีว่าไอ้ตัวตัวสมุทรยาส จ, จ่าตัวเนี้ยมันจะก่อทุกขสัจจะมามากมายจะกาะกรรมกาอบาปอักขระกรรมอันชั่วร้ายก่อกุศลลสังขารอย่างมากมายในการที่จะทําให้ทุกขสัจเกิดขึ้นในสังสารวัฏอย่างมากมายเห็นขนาดนั้นนะแล้วเพียรพยายามในการที่จะมานสิการเดินยานปัญญาเพื่อเห็นความจริงของกระแสชีวิตของทุกขสัจจ์ มันจะเห็นขนาดนั้นเลย น, นี่เราไม่เคยไม่เคยว่าเรากำลังนั่งทับเนี่ยบ้านหลังนี้ข้างล่างมันเป็นระเบิดเวลาขนาดใหญ่เราไม่เคยเห็นอย่างนั้นจริงกระแสขันเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเดินยืนนอนอยู่เนี่ยเบื้องหลังของกระแสขันมันคือระเบิดขนาดใหญ่ใช่ไหมมันฝังอยู่มันพร้อมที่จะประทุได้ทุกเวลาเราไม่เคยเห็นขนาดนั้นถ้าเห็นขนาดนั้นนะีน่ยมันโอ้โห อยู่ไม่ไหวใช่ไหมล่ะถ้าเราเห็นว่าโอ้โหเนี่ยมาเหือมาเลยเนี่ยมันมันระเบิดแต่ละทีเนี่ยโอ้โหบาละแหลกเหลวกันไม่รู้เท่าไหร่ตนเองแหลกเหลวเท่าไหร่หมู่สัตว์แหลกเหลวเท่าไหร่สังสารวัฏแหลกเหลวเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมันมันขนาดนั้นเนี่ยเราก็นั่งทับแล้วแเราเล่าแล้วแล้วเราถ้าเราเห็นอย่างนี้จริงจเนี่ยร้อนมากเลยสังสารวัฏแต่เห็นจริงๆมันจะร้อนเห็นเอกตัวนามธรรมา ท, ที่จะพูดให้เป็นรูปธรรมมันยากอย่างนี้ มันยากอย่างไงว่าจะพูดยังไงจะสื่ อ, อยังไงให้เห็นว่าภัยนะเนี่ยมันมีภัยเฉพาะหน้ายัางไงมันเป็นเพชฌฆาตยังไงมันเป็นศัตรูภายในเป็นฆาสึกภายในเนี่ยไมันเห็นไอ้ตัวเหมือนว่าแล้วอ้มรณะเนี่ยกรณีแห่งการความตายความขาดลงของรูปประชีวิตและนามาชีวิตเนี่ยมันเหมือนใครเอามีดโกนจาะไว้ที่ค อ, อ้ตลอดเวลา กระดิกนิดเดียวก็หลุดยัยไห ก, ก็ก็ตายทันทีเวลาแห่งการคือคือถ้าเราคิดอย่างโทสะคิดอย่างคนวิตกกังวลทำอะไรไม่ถูกเลยเนะี่ยแต่ถ้าคิดอย่างคนมีปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ตั้งหลักวางท่าทีทางใจแล้วก็รู้ว่าอะไรสาคัญเยนะี่ยรู้ว่าอะไรสาคัญรู้ว่าอะไรจะจัดการนะนี่นตรงนี้ก็คือให้เห็นให้เห็นการมาราคานุสัยที่นอนติดแน่นในขันธสันดาน ปฏิคานุสัยนอนติดเอเตเกิดขึ้นสืบต่อติดแน่นในกัน์นสันดานที่ยังละไม่ได้ทิฏฐานุสัยมานานุสัยวิจิกริชานุสัยเพราะว่าราคานุสัยอวิชานุสัยที่มันมันมันเป็นระเบิดเวลาอยู่พร้อมที่จะยกระดับมาเป็นปริยัติฐานนะภูมิยกระดับมาเป็นวิติกรรมภูมิได้ตลอดเวลามูเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วถ้าเราต้องการอยากจะเดินหรืออยากจะพ้น เราอยากจะจัดการกับกลุ่มกิเลสเหล่านี้วิธีทางก็คือว่าจัดการวิติกรมาภูมิให้ได้ด้วยกําลังของสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะคือกลุ่มกุศลศีลจะเรียกว่าปาฏิโมกสงวนศีลอินทรสงวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจะยสนิสิตาศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลสงวรศีลอวิติกรมาศีลก็เรียกกันตรงนี้ได้ธรราศีลเหล่านี้ทั้งหมดมาประชุมก็เรียกว่าศีลลนะนั่นเอง ศื่นะก็คือธรรมชาติที่ทําให้กายกรรมวิจิกรรมอาชีพทั้งหลายไม่เกินคนไม่กระจัดกระจายอย่างไงหลักการก็คือตรงนี้ใช่ไหมคือลักษณะของศีเป็นสมาฐานนังแบบอุปาทารานังก็คือเพื่อจะได้เป็นชําระกุศลศีลอันนี้ให้สะอาดหมดจดปฟองแพ้วเพื่อจะได้เป็นฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ชัดศีลเวลาเกิดขึ้นมาก็จะทำลายความทุกข์ศีลกําจัดความเป็น กำลายความทุศีนหมายความว่าเวรเจตนาอุศลเป็นเหตุการฆ่ามันถูกทําลายเวรเจตนาเนี่ยมันเข้าไปทํำลายเวรเจตนาอุศที่เป็นเหตุการฆ่าเวรเจตนาอุศนี่เป็นเหตุการรักเวรเจตนาอุศที่เป็นเหตุการพูดผิดในการมเวรเจตนาเหตุอุศนี่เป็นเหตุการพูดเท็จส่อเสียดคํหยาเพื่อเจือเวรเจตนาอุศที่เป็นเหตุการเลี้ยงชีพที่ผิดทั้งหลายเหล่านี้ย ไอตัวเจตนาศีลเจตสิกศีลทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัววิรัตศีลทั้งหลายอะไรนี่มันก็จะไปตัดรอนเจตนาชั่วร้ายเหล่านี้ไม่ให้มีพลังขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าสามารถกำจัดความทุศีลด้วพอกำจัดได้แล้วแล้วเแล้วแล้วเราทุกกรณีที่ไปเกี่ยวข้องทางตาหูจมูกเล่นกายใจทางที่ไปเกี่ยวข้องทั้งหลายอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มเริ่มจัดการวีติกะมะภูมิได้ด้วยกาลังของศีลกายก็สะอาดวัวจาร์ก็สะอาดใจก็สะอาดอันนี้ความผ่องแผ้วตรงนี้เกิดขึ้นแล้ว ได้สุจริญนั่นเองได้สุจริต3ดีนั่นเองกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุดจริงจริงๆได้จริงจในชีวิตจริงนะในชีวิตที่เราท่านทั้งหลายดําเนินกันมันได้จริงๆเลยตรงนี้เหตุผลตรงนี้ที่มันได้มันก็มาจากศรัทธาที่มั่นคงมาจากความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปมาจากสติก็ได้มาจากความเพียรก็ได้ไหมทําไมเขาถึงบอกว่าปาฏิโมกสังวรศีนมีศรัทธาพินประทานกันนีและศรัทธามาเป็นเนี่ย หเหตุใกล้ทําไมจึงบอกว่าอินเรียสังวรศีลมีสติเป็นประธานอ๋อนี่ไงสติก็มาเป็นเหตุใกล้ที่ทําให้เกิดกุศลศีลได้อาชีวปริสุทธิ์ที่ศีลทําไมมีวิริยะที่บริสุทธิ์เป็นเหตุใกล้ก่อนเนี่ยวิริยะก็มาเป็นเหตุใกล้ของการที่เพียรในการที่ทํากุศลศีลให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจด ปัจญาสนิสสินตาศีลการพิจารณาปัจใจสี่ทําไมมีปัญญาเป็นประธานเ็นยัไงปัญญาก็สามารถมาเป็นเหตุใกล้ของศีลได้สรุปแล้วกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นประฐานของศีลแต่ถ้าตามหลักเลยนะแต่พูดกันให้เป๊ะเลยว่าเฮลิโอตปาปะวะนั้นนีถ้าใครพูดเกินจากเฮลิโอกะโอตปาปะเนี่ยไปโกรธกันอีกแท้จริงอย่าไปโกรธคนะั้นให้รู้ความจริงให้ความจริงอันนั้นคือความจริง เนะวลาพูดฮิริโอตปาฮิริโอตปามันเกิดกับอะไรมันเกิดกับกุศลและเวลากุศลเหล่านั้นทุกทุกกลุ่มนั่นแหละภาษาเวทนาสัญญาเจรนาทั้งหลายที่ไปร่วมกับกุศล ก, ก็ต้องมีส่วนด้วยไม่ใช่ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อกล่าวฮิริโอตปาแล้วเนี่ยมันชัดมันชัดเหลือเกินมันมันตัวเป็นประทัดฐานของศีลที่ชัดมากแต่อย่าไปทิ้งศรัทธานะอย่าไปทิ้งความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญานะอย่าไปทิ้งสติอย่าไปทิ้งความเพียรที่ถูกต้องนะเข้าใจนะให้เห็นว่านี่คือนั่ น, นแหละประทัดฐาน ประทัดฐานของศีลเป็นอย่างนี้เกตใกล้ถึงเราไปรู้พยัญชนะแทบตายยังไงแต่เอามาเดินไม่ได้เอามาเจเลยไม่ได้ไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายเลยมันกลายเป็นปะปันจะสัญญาไปจับมาก็ได้ปริยัติเหล่าเนี้ไม่ยากหรอกแล้วมาเอาเป็นทิฏฐิมานะก็ได้แล้วมันไม่เป็นไปเพื่อการฝึกฝนพัฒนาทําลายปริยัตฐานภูมิเออขอภยัยวิติกรมภูมิก็คือภูมิ หรือโลกของการที่ถูกละเมิดออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาแล้วก็ทางทางอาชีพตั้งหลายให้เกลื่อนเกลียดให้กระจายกระจายถ้าสงบละงับทําให้ราบคาบทําให้เรียบร้อยดีงามไม่ได้ศีลมันไม่มีความหมายเลยเลยต่อยท่องได้อะไรได้นี่ให้ชัดตรงนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ให้เกิดความชัดเจนในกรณีแห่งการเดินกุศลได้อย่างนี้ถ้าเราในชีวิตจริงๆเนี่ยมันเห็นได้ยินทั้งหลายเนยตัวบาปทั้งหลายกรรมเลิบใช่ไหม กำเริอบอกุศลกำมาบดมันกำเริบยิง ม, มีประโยชน์อะไรใช่ไหมมันก็ระงับบาปไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมเมื่อระงับบาปไม่ได้อยู่ดีในที่สุดจริงจริงมันก็อะไรชวนะสุดท้ายหมดก็สั่งสมเป็นอัธยาศัยเป็นอนุศัยต่อไปมันก็ดาวน์โหลดลงเนื้อดาวน์โหลดทุกอย่างเลยดาวน์โหลดการบาราคะปฏิฆะมานะดาวน์โหลดกรรมเหล่านั้นลงหมดเลยลงล ง, ล ง, ลงเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บก็บหนาแ น, น่นหมดเลย อย่าแปลกใจเลยว่าเห็นคนบางคน คนนี้ฉันชอบหน้าคนนี้ไม่ชอบน่ะคนนี้ถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจคนนี้อยากอยู่ใกล้คนนี้อยากไม่อยู่ใกล้คนนี้พูดจาดีคนนี้พูดจาไม่ดีคนนี้ทัศนคติน่ารังเกียจคนนี้ทัศนคติดีสถานที่ตรงนี้ชอบสถานที่ตรงนี้ไม่ชอบตรงนั้นไปชื่นใจตรงนี้ไปทูกใจอีกมากมายก่ายกองนักมันเป็นผลผลิตและผลพวงมาจากอนุใสที่มันฝังอยู่ในขันธสันดานนี่แหละมันเชื่อมโยงกับอารมณ์นะผมก็ และเป็นเหตุให้หมู่สัตว์มีอาการต่างๆมีพฤติกรรมต่างใช่ไหมมีจริตต่างๆมีอัธยาศัยต่างๆ mm. ดังที่เราเห็นกันเนยอะทั่วไปเนี่ย mm. น เ, นเนี่ยเห็นกันทั่วไป mm. มันจึงซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากถ้าเราเห็นคนที่เป็นพิการซ้ําซ้อนทั้งรูปขันทั้งร่างกายอใจนี่เรียกว่าพิการซ้ําซ้อนทางด้านความคิดมัมาจากจริตมาจากอนุสัยมาจากกิเลสเหล่านี้เลย จึงแก้ยากรักษายากถ้าไม่ได้ธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าที่ถูกตรงและเอามาฝึกฝนพัฒนาให้ถูกกับกับโรคที่เราเป็นอย่างจริงๆเนะี่ลำดับถูกต้องจริงไม่มีทางแก้ได้จะแก้ยังไงตาก็บอดหูก็หนวกกลับกลายเป็นคนเออคนพิการมันหลายโรคก็เกินยังไงแล้ว แกตัวหนึ่งกระทบตัวหนึ่งแก้ตัวหนึ่งกระทบตัวหนึ่งจะทำอย่างนี้นี่มันเรียกพิการซ้ำซอ้อนเวลารู้พระธรรมไปรับรู้อะไรมานิดๆหน่อยก็มาผสมนปนเปื้อนกันธรรมะอาจทรรมผสมกันนะเข้านะเข้าเพ้อออกมาเวลาพูดธรรมะแต่ละทีก็ไม่ได้พูดด้วยสติสัมปชัญญะไม่ได้พูดด้วยปัญญา ไม่ได้ไม่ได้อยากจะบ่นเพ้อออกมาก็กลายเป็นจํามาได้แล้วก็มานั่งเพ้อกันออกมา<_ <k> _ <d ata> เพ้อออกมาเหมือนคนเพ้อเจอเขาก็จะเห็นเต็มไปหมดใช่ไหมเราแยกได้ไหมว่าคนคนนี้กล่าวธรรมะจริงคนนี้เพ้อเจอแยกไม่ได้ได้ไหม <_ d ata> ยากใช่ไหมเพราะพูดด้วยความเครียดก็ได้พูดด้วยความเครียดก็ได้ดดค เ, คดไดเคยสังเกตไหมเว <_ d ata> ลาเครียดขึ้นมากล่าวธรรมะก็ได้ ถูกผักดันมาก็ได้ถูกขักดันด้วยโลภะเป็นตัวก่าวก็ได้โมหะโทสะทั้งหลายเ น, นี่ยนี่เราก็จะได้รู้ว่าโอ้ในวาระที่เรายังไม่ได้พระหันตาเจ้าที่ชํานาญในคำสอนเป็นอาจารย์เนี่ยมันลำบากตรงนี้มองเห็นไหมแต่มันก็ยังดีมันเหมือนกับคนพิการซ้ำซ้อนมานั่งคุยกับคนพิการซ้ำซ้อน เออเพี้ยนไหมเออมันมานั่งคุยกันมันเป็นลักษณะอยงต้องต้องเข้าใจให้ดนะีว่าเว้นไว้แต่คนคนนั้นเน่ะอาการเขาสงบความพิการซ้ําซ้อนได้หรือเปล่าถ้าเขาสงบได้ก็เออเข้าท่าก็ทางนิดพอจะเข้าท่าเข้าทางนิดนึงว่าอ๋อพอบอกว่าไอเจ้านี้พิการซ้ําซ้อนจะมาบอกวิธีการให้หายจะพิการซ้ําซ้อนเราเริ่มคิดหนักในชะ่ไหมเริ่มคิดหนักเลย แต่ที่ไหนได้ว่าต้องดูว่าไม่ใช่เป็นสูตรของไอ้เจ้าพิการซ้ำซ้อนนะั้นไม่ใช่เป็นยาของเจ้าพิกลกาแต่เป็นยาของ บ, บ๊อบพุทธยาเป็นธรรมโอสถของพุทธยามันชื่นใจตรงนี้แหละว่าเออที่ท่านเอามากามาล่าวมาเลยทั้งหลายเนี่ยต้องขอบใจไอ้เจ้าพิการซ้ำซ้อนคนนั้นด้วยนะว่าโอ้ยังมีอุตสาหะยังอุตสาหะวันจําบอกได้เข้าใจอะไรก็แล้วแต่อั น, นความดีนะความดีเดี๋ยวจะ จะพิการซ้ำซ้อนได้ความดีมันมีมานานิดนึงเออัจะได้เข้าใจอย่างนี้อันนี้ก็เอออ้าเริ่มสนธนาเลยเอะนี่อยู่ในเรื่องไหมเนี่ยอยู่ใช่ไหมใเวลาจะหมดที่จริงจะพูดเรื่องสติเพื่อให้รู้ว่าเออเราจะเดินสติเดินความเพียรที่สร้างสรรค์เดินสัมปชัญญะอย่างไงแท้จริงเรื่องมันยาวเพราะว่า ถ้าไม่เข้าใจลักษณะของสติเสร็จแล้วจบเลยแต่ผมไม่เข้าใจคาว่าจบในที่นี้ก็แปลว่าไม่สามารถที่จะกำกับตัวเองได้เนยะให้พ้นจากบาปอักขระกรรมอันชั่วร้ายเป็นต้นได้มาดูล <c oughs> ักษณะของสตินิดหนึ่งลักษณะของสติเป็นอย่างนี้นะสติเนี่ย เป็นธรรมชาติที่ทําให้ระลึกระลึกที่จริงอธิบายมาหลายครั้งอธิบายแบบเชิงวิชาการก็ได้อธิบายให้เข้าใจง่า ย, ายๆให้ชัดๆัอย่างีก็ได้แต่บางทั้งก็รักษาวิชาการกันไว้เดี๋ยวเขาจะมองว่าเหม่ไม่รักษารูปแบบเลยเขาเรียกว่าตามประเพณีตามตามการบรรยายการก็พิจารณาบอกว่าสภาวะของสติเนี่ยเป็นปรมัตธรรม เป็นสังขารละขันธ์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตราตัวตนใดๆเลยเป็นแต่ธรรมะล้วนๆอ ย, ย่งๆสภาวะประมัตถ์เขาเป็นอย่างนี้เป็นสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งจิตนะเพราะเขาเป็นสังขารละขันธ์เขาจึงมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดการรับรู้ที่พิเศษออกไปจากเวทนาขันธ์และสัญญาขันธ์เพราะเวทนาไม่ใช่เป็นธาตุธรรมชาติปรุงแต่งเขาเอกเสวย สัญญาก็กําหนดหมายแต่สติเนี่ยปรุงแต่งปรุงแต่งพิเศษออกไปนั่นมีลักษณะเฉพาะตนเนึ่งเฉพาะตนก็คือเฉพาะตัวของเขาภาษาพระเขาเรียกว่าวิเศษลักษณะหรือเรียกปัจจัตลักษณะก็ได้ลักษณะปัจจัตลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะตัวของของสติก็คือว่าถ้าคุณจะเจริญสติคุณต้องรู้จักสติของคุณต้องรู้จักเนื้อหน้าตาของเขาให้ชัด เพราะว่าในบรรดาสังขาระขันเนี่ยไอตัวปรุงแต่งจิตมันมีหลากหลายโลภะเจตสิกก็ปรุงแต่งจิตโทสะก็ปรุงแต่งจิตใช่ไหมโทสะเจตสิกเนี่ยไอไอกลุ่มสภาธิธรรมเหล่านี้ทิฏฐิเขาก็ปรุงแต่งจิตมานะก็ปรุงแต่งจิตตัณหาอาวิชากลุ่มเหล่านี้ปรุงแต่งหมดเลยแล้ววิตกก็เหมือนกันก็ปรุงแต่งอีกจะรู้ได้ไงอาจจะเป็นมิตตกก็ได้จะเป็นสาคัญว่าเป็นสติ อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยความไม่รู้จักหน้าจากตาของเ้าเนี่ยก็เลยบอกโอ้ฉันมีสติทําไมจะไม่มีอะไรเนี่ยยังมาเถียงยันอย่ า, า ง, งี้โกรธเลยใช่ไหมาฉันจำได้ฉันไม่ใช่คนหลงคนโง่อะไรเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ของฉันนี่ของเธอเธอมาหยิบของฉันได้ยังไงเธอเน่ยไม่มีสติเธอนี่ยขาดสติฉันเนี่ยมีสติ <c oughs> ใช่ไหม ใช่ไม่ใช่นี่มีสติระลึกได้แท้จริงสติมันเป็นกุศลยู่แต่ตอนนี้มันพลอากมามันไม่ใช่กุศลเอออย่างนี้ไม่ใช่ <c oughs> ก็คือการไม่เลือเรือนนะเวลาใช้ศัพท์ก็จะใช้คำว่าอภิลาปนารคณาคำว่าวาหรือว่าหรือหรือเนะี่ยอุปปัก ขะาน่ า, นารักนาไอ้คำว่าอภิลาปนา่นมาจากคำว่ามีการไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะไยกคําว่าไม่เลอะเลือนเนี่ยอระลึกไดน้นึกก็ได้นะเพ่งก็หมายถึงว่าหมายถึงจําเลยนะคำ ว, ว่านึกระลึกนี่นะศัพท์นี้กลายเป็นจําก็ได้มั้เหมือนเหมือนเหมือนสัญญา แท้จริงเนี่ยไม่ใช่สัญญานะเป็นการกําหนดหมายแต่สัญญาก็กําหนดหมายเหมือนกันสติก็ลักษณะของการจําเหมือนกั น, น, กนคือมันมั น, มน ไ, มไม่ได้เต็มความหมายนีเนนะี่ยเพราะถ้าพูดในแง่ของปฏิเสธเนะี่ยสติเนะี่ยหมายถึงการไม่เลื้เลือนนะนี่ปฏิเสธในแง่ของการปฏิเสธเนะี่ยคือการไม่ลืมอะ่ะซึ่งตรงกับความหมายในครงอนุมัติข้างต้นที่ว่าระลึกได้ระลึกได้เนะี่ยยังถึงหมายถึงการไม่เผลอเลยด้วย แล้วก็หมายถึงการไม่เลื่อนไม่ไม่ไม่ไม่เลื่อนเล้อไม่ฟั่นเฟือนไม่เลื่อนลอยด้วยคำว่าใจอยู่ใจไม่หายเข้าใจหใจอยู่ใจไม่หายก็แปลว่าไม่ใจลอยพูดยังไงให้เข้าใจไม่ใจลอยเคยนั่งอยู่นี่แหละแต่มันใจมันลอยนั่นก็เรียกอะไรขาดสติ ก็เลยใช้ภาษามาคาสติแล้วก็ง่วงอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่อใจลอยใจหายไปแล้วฉะนั้นแต่ความหมายของสติในที่นี้หมายถึงว่าถ้าอุ ป, ปักชหะนารคนาก็คือแปลว่ากำหนดไว้อย่างแม่นยำกำหนดไว้อย่างแม่นยำเป็นลักษณะคือสติเมื่อเกิดก็ เตือนให้รู้จักว่านี่เป็นกุศลมันมันแม่นยําตรงนี้พอเราสติเกิดขึ้นมันกําหนดหมายว่านี้เป็นกุศลเตือนเลยเตือนว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลมีโทษไม่มีโทษฉะนั้นกรณีที่เวลาสติเขาเกิดร่วมกันกับสัญญาที่มัน่นคงเพราะมันมีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้เวลาเกิดร่วมกันแล้วมันเลยทํากิทร่วมกันเพราะทำกิทร่วมกันขึ้นมามันเลยทํากิจที่แยก สัญญามันกาหนดมันมันแค่จําได้ใช่ไหมแต่สติเนี่ยมันชัดลงไปจนถึงกำหนดหมายแยกเลยมันแยกว่ากุศลนะกุศลเลยเนี่ยทำดาทำขาวทาที่มีโทษไม่มีโทษอะไรทั้งหลายเรเนี้เป็นต้นอะไรเนี้ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้เวลาสติเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ตัวสติมันจะมีหน้าที่ในการที่ปรุงกระตุ้นเตือนด้วยคล้ายเจตนาแต่ไม่ใช่เจตนา เพราะถ้าเจตนาเนี่ยโหกินพื้นที่กว้างทั้งกุศลอกุศลแต่สติเนี่ยอยู่เฉพาะกุศลธรรมเท่านั้นถ้าเจตนานี่โอ้โหกินพื้นที่เยอะเลยทีนี้สติเกิดขึ้นก็ชักชวนกระ ต, ตุ้นเตือ น, นสัมพยพธรรมให้มีการถือเอาซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายว่าธรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์ธรรมเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ธรรมเหล่านี้มีอุปการะธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการะเนี่ยธรรมเหล่านี้มีโทษไม่มีโทษ เมื่อสติเกิดขึ้นมาปุ๊บไอตัวสติก็จะคัดกรองนะตัวคัดกรองตัวปิดตัวตัวคัดกรองตัวนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเจตนาเนี่ยมันไม่คัดเจตนากระตุ้นตะพืชให้ผัสสะ ท, ทางานใช่ไหมเวทนาทำงานสัญญาอ่มามณสิการวิตกวิจารณ์มันโอ้โหมันกระตุ้นให้ให้ให้ทำหน้าที่ตัวนั้นเอง แต่สติบอกไม่ไม่ไม่ขาดขาดว่าไอ้นี้ไม่มีประโยชน์นะฮะไม่เอาไม่เอานี่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเนี่มาเพียนเรื่องนี้สิแต่สติมันจะมันไอไอเจตนานี่มันกระตุ้นให้ความเพียนเพียนผิดก็เอาเพียนถูกก็เอาแต่สติบอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาบ้าไปแล้วเนี่ยในตรงนี้ี่ยมามาตรงนี้สิมามาเพียนนี่มันสร้างสรรเพียนนี่เป็นประโยชน์เพียนในการละบาปสติมันดีตรงนี้ มันมันมันมันมันาดให้เยอะเวทนาเนี่ยใช่ไหมเสวยแต่พืชเลยแต่พอมาอยู่กับสติอ่่เสวยอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่บอกอย่างนี้มันต้องต้องแยกให้ออกนั้นถ้าหากไม่มีสติมาคอยคอยกำหนดหมายอย่างนี้เลยยุ่งยุ่งเลยงั้นไม่ใช่ว่าเพี้ยนแต่พืชแต่พือ บางทีเราโอ้โหเพี้ยนทั้งเครียดก็เพี้ยนโกรธก็เพี้ยนพิ่งรู้แต่ตอนนั้นน่ะสติไม่ได้ทำงานแล้วเรียบร้อยครั้งทั้งที่ไปกำลังจะไปห่มผ้านี่แหละอีกคนหนึ่งมันเดินช้ามืนช้าจริงเดี๋ยวไม่ทันเวลาเหล่านี้ร้อนอยนู่เห็นยังแปลว่าอะไรเจตนามันกระตุ้นให้ทำความเพี้ยน สติมันหลุดลอยไม่คัดกรองถ้าสติอยู่ปุ๊บอะไม่ได้ทำให้มันดีเอาประโยชน์นี่เอากุศลมันร้อนไม่เป็นไรร้อนอย่างนี้ดีกว่าสติขันติก็มาสิไอตอนนี้ใช่ั้ยล่ะอัตโทสะต้องมาด้วยอย่าเพียนมั่วเนี่ยโอ้โหดงนั้นมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของสติ ที่จริงที่จริงเราเวลาเห็นการที่เรามาเก็บรายละเอียดตรงนี้ถ้าเราเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้ทั้งหมดแล้วเร า, เ ร, าเริ่มมันจะเริ่มเข้าท่าเข้าทางในการเดินกุศลใช่ไหมครับไม่มั่ว น, นี่ก็พอพูดแค่นี้เบีดเสร็จปุ๊บก็ใช้คําว่าอาทิเป็นต้นนี่ตรงเนี้ข้อพ่อไปไม่เป็นเลยแต่นี้พาอหลังจะเป็นต้นแต่เนี้พอให้เป็นนั่นเองเป็นสังเกตตัวอื่นมนื่อตะกี้ไอ้บอกเรื่องนี้ท่านไม่ได้บอกว่า จะทำไงต่ อ, อที่สอบมันมันมันเยอะไงจะทํำไงดีว่าพวกมีปัญญาพึงรู้ด้เขาบางทีก็ถ้าไปอ่านในพระด้จพระโดเขาสนใจคำว่าอย่างอื่นง่ายทั้งนั้น <c oughs> เคยได้ยินคำนี้ไหม <c oughs> หง่ายทั้งนั้นอมมึนตุ๊บเลยก็ยกท่านมันง่ายมากไงพอมาถึงยกเราเขาาจะมีการปียานไว้ว่าง่ายทั้งนั้นที่เหลือ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละบอก แล้วเวลามาสอนก็สอนกันละอย่างงั้นแหละผมก็เลยถามคนสอนทำไมก่อนว่าช่วยที่บายก่อนที่ไอ้ที่เหลือที่ง่ายทั้งนั้นเขาบอกผมก็คิดไม่หอม้อง <c oughs> ไม่รู้ก็ <c oughs> ท่านเล่นละเขาไว้ว่ามันง่ายทั้งนั้นไงพระพุทธศาสนาใช่ท่านบอกง่ายทั้งนั้น <c oughs> เคยเจอไหมโอ้เยอะหมดเอยถ้าไปเรียน เรียนคําสอนในพระไตรปิฎววกเลยละไว้อย่างนี้เต็มไปหมดแล้วฉันก็เคยแอบถามบางคนที่เขาสอนเนี่ยเพราะไอ้ที่ง่ายทั้งนั้นต้องยกตัวอย่างเขาบอกผมก็ไม่รู้ <c oughs> นี่เลยเล่าเ่าไว้อย่างนี้ฉัเจอเยอะใช่ไหบางทีก็ล่าไว้ในฐานที่เข้าใจปัญญาไว้เห <c oughs> มือนแล้วใช้คํว่า ง, ง่ายทั้งนั้นไอที่เหลือ ง, ง่ายทั้งนั้น <c oughs> แต่มือน<า>ตื๊บเลย ทีนีเ้เวลาเรียนธรรมะเนี่ยที่เคยเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือว่าเวลาเราอ่านคำภีพระไตวิดกอภิธรรมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นผล ง, งานของพระนพุทธโฆสาจารย์เราก็จะยกย่องพระพุทธโคราอจานสุดยอดสุดยอดกันยังไล่ะในประเทศไทยแต่เราไม่เคย ไม่เคยสืบเบื้องหลังว่าท่านพระพุทธโกษ า, าจารย์ตอนที่ท่านอยู่ที่พุทธคยาตอนนั้นท่านไปเรียนจากที่ท่านเป็นพราหมณ์เป็นคนฉลาดมีมีมานะจัดมีทิฏฐิจัดไปอยู่กับอาจารย์เรียนไม่นานจบพอจบเบ็เสร็จก็เริ่มมีจิตคิดตำหนิอาจารย์พอจิตคิดตำหนิอาจารย์ว่าอาจารย์จะรู้เท่าเราไม่้องอาจารย์ก็เรียกมาไมพาะไปบาปอย่างมาก อาจารย์ก็เลยลงโทษว่าเธอได้ทํากรรมอันหนักหนาสหาหัสกันตําหนิงเราเืออาจารย์งนั้นเธอต้องเดินทางจากชมพูทวีปไปลังกาต้องไปชําระพระไตรปิฎ ก, กจากสิงหโหนเป็นมคดทั้งพระไตรปิดกอคาถาคำพีร์ทั้งหมดที่มีแปลว่าที่ท่านเดินทางมาท่านโดนลงโทษ เพื่อจะขจัดไอ้มานะและทิฏฐิทังตนเองที่กล้าจัดท่านต้องมาเหนื่อยอยู่เป็นแรมเป็นสิบปีใช่ไหมล่ะที่มันต้องมาทำงานเนี่ยมันนั่นเนี่ยแปลว่าอะไรท่านต้องทำเพื่อเป็นการถ่ายโทษที่ท่านศึกษาธรรมะด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิด้วยมานะแต่เราไม่เคยนึกถึงว่าอาจารย์ของท่านในสุดยอด จัดการลูกสิทธิ์อย่างนี้ได้ใช่ไหมโอ้โหและเราก็จะเอาท่านเป็นแบบอย่างเราจะไม่เรียนด้ตนามินาทิฏฐิถ้าอย่างเราเนี่ยถ้ามีอาจารย์ทุกคนมาลงโทษเราอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยคุณเป็นใครใช่ไหมล่ะใจเราจะไม่เราหนีเลยนะเราจะเราจะไม่เห็นการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายสูงสุด แต่เราจะยังรู้สึกว่าเราเกลียดคนที่มาบังคับเราจริงไหมจริงเนี่ยเราต้องดูให้ตลอดสายเราเราจะได้เข้าใจถ้าอย่างนี้มันถึงจะศึกษาธรรมะเราชัดมันจะได้ไม่ได้ศึกษาได้ถนอมวันอาทิตย์ไมะได้เป็นเหมือนท่านพระพโฆษาจารย์ท่านต้องลำบากยากเข็นในการถ่ายโทษตัวเองที่ไปคิดไม่ดีต่ออาจารย์ เมื่อเสร็จแล้วกลับมาก็มาขอให้จาย์อาจารย์ยิ่งถ่ายโทษให้อะไรเงี้ยเรื่องราวเหล่านี้มีอีกมากมายใช่ไที่เราจะต้องเราจะต้องมองอะไรให้ตลอดสายอย่ามองเป็นครึ่งครึ่กลางๆก า, การศึกษาธรรมะเนี่ยที่มันมีปัญหาทุกวันนี้เพราะเรามองมองไม่ทะลุทะลุมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแห่งการเข้าใจผิดอะไรกลับมาสติอีกทีหนึ่ง อ, นนอันนี้อันนี้อันนี้ก็ จะได้วางท่าทีทางใจให้ชัดชัดที่อย่างี้ยังไม่ชัดคือคือชัดอ๋ออย่างอื่นได้ทั้งนั้นขยายปยาัญญาขยายตอ่อคืออย่างนี้ปัญญายไม่พอขยายต่อเวลาสติไ ป, ส ต, ไปสติไปกระตุ้นความเพียรให้ทํางานก็จะบอกว่าถ้าเพียรที่จะทําให้ความโลภเกิดขึ้น <c oughs> เพียรที่จะทําให้ความโกรธเกิดขึ้น <c oughs> เพียรที่จะทําให้ความหลงเกิดขึ้น อย่างนี้ไม่เอาอย่าถือเอาประโยชน์เนี้ยสติก็จะล็อกกลับมาบอกให้เพียรในการที่ทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นนะเพียรทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเพรียบุญนะเพียรในการระ บ, บาปเก่าบาปใหมยอยนนะ่อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเนี่เนี้ยสติจะถือเอาตัวนี้ลักษณะสติจะเป็นอย่างนี้กําาัับอญญสม ก็ทั้งหมดที่มาเกี่ยวข้องกับเขาอยู่ในขอบเขตของเขาสติจะคอยกระตุ้นเตือนเพราะสติเขาจำได้เขาระลึกได้เขาแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปเขาก็เลยต้องให้สภาวธรรมเหล่านั้นมาคล้อยตามเขาถ้าอย่างนั้นมันยังเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเหมือนเวทนาเนี่ยใช่ไหมจะเสวยการมคุณเนี่ยสุกในการมาคุณหรือทุกในการมาคุณหรือเฉยๆในกรรมาคุณบอกไม่เอา เวทนาคุณต้องมาเสวยสวยพุทธคุณนะธรรมคุณสังฆคุณนะคุณต้องมาเสวยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณนะคุณต้องมามีมีความชื่นใจเบิกบานใจล่าเริงใจกับศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ไปชื่นใจล่าเรงเบิกบานใจในการมราคาโทสะหรือหรือว่าไปกรรมคุณทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นไม่เอาไม่ควรถือเอาไม่ควรไปเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้น ที่ยิงบอกว่าอย่างอื่นก็อ น, นี้แหละเอานี้เป็นนาธิเป็นต้นเข้าขใจยังนี่คือสติมันเป็นแบบนี้อย่างอื่นง่ายทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยต้องยกอย่างที่ไม่ได้ยกทุกตัวอยาวเลยแต่จริงๆแล้วบางคนต้องฟังแบบนั้นต้องมาไล่ทุกตัวเช่นเป็นว เ, ออเวทนาที่สวยลดของกามเป็นยังไงใช่ไหม รสของการมาลาค่าเป็นยังไงปฏิฆาอย่างไงเป็นกลุ่มการมคุณทั้งหลายการมคุณการมคุณที่มันสดสวยมันมันมันดื่มด่ำเป็นยังไงกามคุณที่มันบกพร่องแล้วมันเครียดยังไงกามคุณที่มันจำเจซ้ำชกักซ้ำซากแล้วมันเฉยเยยังไง <c oughs> เอออันนี้ไอ้เวทนาเป็นยังงั้นนะนี <c> ่ย <oughs> แต่ถ้าเวทนามาเกิดร่วมกับสติสติกำกับปึ๊กเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ต้องอย่างนี้อย่างนี้พาพากำหนดหมายให้เวทนาก็ตาม เชื่อเจตนาอย่างเดียวไม่ได้เจตนามาตรงนี้ฉันต้องกำกับคุณนะคุณต้องกระตุ้นเือนกุศลธรรมเท่านั้นให้เกิดขึ้นในกลุ่มกุศลเท่านั้นเที่ยวกระตุ้นตัวอื่นให้ทําหน้าที่เยอะมาแล้วเนี่ยมาตรงนี้ต้องกระตุ้นแบบนี้ระดับทานยังไงระดับศีลอย่างไงระดับภาวนาอย่างไงเจตนากระตุ้นยังไ ง, ง, ไ ง, ต, งไตัวสติก็เหมือนกันท่านก็จะกำกับไปตามทุกช็อตสติในศีลเป็นอย่างนี้เช่นอินทรีย์สังบรลเป็นอย่างนี้นะ สติในกลุ่มสติในสติสมุชัญญะในฐานะเจเป็นอย่างนี้นะสติในกรรมฐานแต่ละหมวดแต่ละหมวดเขาก็กํากับทุกเรื่องไปเลยนะเช่นไอ้ตัวตัวกายคตาสติเป็นอย่างนี้อานาปานสติเป็นอย่างนี้พุทธานุสติราคะเนี่ยธรรมานุสติสังขารนุสติเป็นเหมือนนี้สติก็กํากับไม่ให้ปั้นเฟือนเลือนหลงไม่หลงก็ให้สภาว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาเขาเขาดำเนินตามทํากิจตามยังไงสติก็ทําหน้าที่ พอจะชั ด, นนดชไหมก็คือว่าเปรียบเหมือนนายทวารไงเขาจะมีอุปการะมากไนงะเปรียบเหมือนนายทวารบานของที่คนจะเข้าสู่พระราชวังก็คอยสอดส่องดูบุคคลที่ได้รับบรมราชานุญาติให้เข้าภายในพระราชวังออกไปได้หรือยังยังคอยบุคคลที่เห็นว่ามีโทษคัดแกงคนที่มีโทษออกไปยังไงเป็นต้นจะได้ไม่เป็นโทษต่อ แลชบลังเมชันไดสติก็ทํากิจในลักษณะอย่างนั้นแหละนี่ประการแรกประการที่สองอะสามโมหะรสาก็มีการไม่หลงลืมเป็นกิจสติมีการไม่หลงลืมด้วยนะตรงนี้ก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่ที่บอกว่าความไม่เผลอเลยไม่เลื่อนลอยไม่ฟั่นเฟือนไม่เลื่อนลอยเป็นต้นเหล่านี้ยออิลักษณะลักษณะทีนี้เมื่ อ, อกี้ที่บอกสติที่ลักษณะของเขามีการมีการ ปิดกันใดโดยที่นี้กรณีไม่หลงลืมเนี่ยสติเป็นผู้แสดงบทบาทใช่ใช่การทําหน้าที่ของเขาบทบาทการทําหน้าที่การที่บุคคลใดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีการผิดพลาดคลาดเคลื่อนการทําการพูดการคิดหรือกิจการต่างๆเนี่ยทั้งโลกทางธรรมอะไก็แล้วจะสําเร็จลุล่วงได้เนี่ย ไม่มีการผิดพลาดเสียหายหตามมาภายหลังก็คือการไม่มีโทษต่อตอนเองและบุคคลอื่นเนี่ยก็เพราะบุคคลนั้นมีสติใช่ไหเป็นเครื่องกำกับดูแลใช่มาการที่เขามีหน้าที่ดูแลมันมีชั้นการคุ้มครองป้องกันไว้คุ้มครองป้องกันทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้เกิดความหลงลืมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวสติเป็นลักษณะอย่างนี้เอตัว ตัวสติเนี่ยจะมีการมีการทํากิจของตนเองเนี่ยมีบทบาทในการเป็นปฏิปักษ์ในที่นี้เขาเป็นปฏิปักษ์ต่อการหลงลืมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะกําจัดกําจัดความหลงลืมกําจัดความเลือ่อเรือนแล้วก็ป้องกันช่วยเตือนไม่ให้เกิดความหลงลืมนี่เป็นธรรมะที่ประกอบกันกันกบจิตที่เป็นไปกับโสภาธรรมใช่ไหมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กระตุ้นเตือนสมัมยุตธรรมเลยทีนี้ ที่เกิดขึ้นนะให้ระลึกถึงเหตุผลพิจารณาถึงผลดีผลเสียเขาจะมีความถี่ท่วนมากนะเขาจะมีการถี่ท่วนมากในการระลึกเขาจะมีความละเอียดอ่อนตามสภาวะของความของความของความของสภาวธรรมที่มาเกิดร่วมถ้ายิ่งระลึกในสิ่งอะไรมากมากๆเข้าเนี่ยจับหรือตรึงในเรื่องอะไรมากขึ้นเวลาก็ททำกิจตรงนั้นอยู่นี่ การระลึกนั้นจรยิ่งละเอียดเพราะมีสมาธิกำกับเพราะมีความเพียรสร้างสารคอยคอยหนุนนั้นเขาจะมีความละเอียดอ่อนตามสภาวะแห่งการระลึกนั้นๆเช่นระดับทานระดับศีลอะไรก็แล้วแต่ระดับภาวนาเ น, นี่ยนะหรือระดับทํากิจกรรมทั้งหลายตัวนี้ตัวสติตัวนี้เขาจะมีการละเอียดอ่อนเป็นไปตามสภาวะธรรมที่เข้ามาเกื้อนหนุนกันมากน้อยเพียงไรนี่เป็นไปลักษสนั่นี้ งั้นกรณีอย่างการที่เขาระลึกระลึกในศีลระลึกในสมาธิระลึกในปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เพราะตัวสติเนี่ยโอ้โหเวลาเขาระลึกถึงสภาวธรรมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า เ, าเวลาเขาเดินธรรมะระดับสูงเนี่ยเขาจะจับผัสสะจับผัสสะมาตรึงไว้สมาธิแนบชิดติดกับผัสสะ ให้ปัญญามาสอบสวนลักษณะของภาษาใช่ไหมกิจของภาษาอาการปรากฏของภาษาเหตุใกล้ของภาษาเขาทําได้ขนาดนั้นหนึ่งแล้วเขาทำได้ขนาดนั้น <c oughs> คือคื อ, คอเวลาเขาจะไปไประลึกถึงสภาว่าทำตัวไหนเพื่อจะให้ปัญญาเขาไปทํางานเนี่ยสติเป็นด่านหน้าจับเหลือจับระลึก เ, เขาทําได้กิจได้ขนาดนั้นนี่นี่ในชั้นของละเอียดนะเขาสามารถทำได้ระดับนั้นนั่นก็ทั้งทั้งที่เรื่องเหล่าเนี้ย มันหลุดลอยหายไปแล้วเนีเาสามารถดึงมาได้จากการฟังเบสเสร็จปุ๊บนะเขา้นเขานเ้าสามารถระลึกรู้สภาวะธรรมเหล่านั้นก็ามาให้ปัญญาสอบสวนได้<อ>สังเกตได้คำว่าอารักขาปัจุปทานาวาวิสยะพิมุ ข, ขาภาวะปัจุปทานาเนี่ยรักษาอารมณ์ไว้ไม่ออกไปจากจิตเป็นอาการบากฏนี่ล็อกเล ย, เยรักษาจับอารมณ์ไว้ตรึงอารมณ์ไว้เนี่ยรักษา แล้วก็มีความจดจ่อต่ออารมณ์เป็นอาการปรากฏด้วยเนี่ยสติตัวนี้มีเวลาจากจะรู้เรื่องอะไรฟังเรื่องอะไรก็จะไม่ให้จิตนั้นเน่ยไปทางอื่นเลยตึงอยู่กับอารมณ์นั้นจับอารมณ์นั้นให้ติดต่อและต่อเนื่องตลอดเห็นไหมจนสามารถฟังเรื่องราวอะไรเนี่ยสามารถรู้ความหมายได้ มีความสามารถของเขาขนาดนั้นสติเพราะว่ามีหน้าที่ในการที่รับอารมณ์หรือจับอารมณ์ไว้เพื่อให้จิตนั้นได้รับรู้ให้ปัญญาเข้าไปสอบสวนให้ความเพียรสร้างสรรค์ประคองอยังไงเนี่ยสติเป็นขนาดนั้นนั้นกรณีเห็นการที่ว่าก็เลยใช้คําว่าดึงมากับดึงไว้นี่แหละถ้าดึงไว้ในแปลว่าไม่ให้อารมณ์ที่กําลังใส่ใจอยู่นั้นมันหลุดลอยหายไป นะดึงดึงไว้ถ้าดึงมาก็แปลว่าไปดึงในอดีตมาก็ได้ไปดึงอนาคตมาก็ได้บางทีคํานวณว่าอนาคตวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรเนะี่ยดึงเรื่องราวในอนาคตมาเลยมาให้ใจได้รับรู้มือใจรับรู้ไปเสร็จปุ๊บมากํากับไว้งี้ไปเสร็จปัญญาก็สอบสวนมาวิจัยแยกแยะจะทำหนึ่งสองสามสี่หรื อ, อนี่เป็นต้นเนี่ยสติมีหน้าที่อย่างเนี้ แยกแยะว่าตรงนั้นอย่างนี้อย่างไรปัญญาก็สอบสวนโอเคไม่โอเคอย่างไรดีชัวไม่ดียังไงเป็นต้นเข้าไปทํากิจร่วมอย่างนี่นดึงมาสติเป็นนี้ก็เลยใช้คาว่าดึงมาเลยดึงนี่ใช้สติเป็นมันมีค่ามากเนี่ยแต่ใช้สติเป็นมันมีค่ามากอย่างนี้เริ่มใช้เป็นยังเริ่มเห็นใช่ไหม นั้นเขาถึงใช้คําว่าอารักขาปัญญาฐานาหรือว่าวิสยาพิมุขขาภาวาปะปัุญาฐานาก็ได้ก็คือรักษาอารมณ์ไว้ไม่ให้ออกไปจากจิตเป็นอาการปรากฏหรือมีการจดจ่อวิสยาพิมุขขาเฉพาะหน้าจดจอ่อจดจ่ออารมณ์นั้นอยู่ก็เลยใช้คําว่าจับตรึงนดึงจดจอ่อฉะนั้นไอตัวสติ ถ้าฝึกได้ดีๆๆมีพลังมากเลยโหยเป็นประโยชน์อย่างมากมากพลังมหาศาลปุบเพนิวาสานุสติยานยานที่เป็นไปกับสติตามระลึกชาติถนหลังดึงหมดเลยมากี่พบกี่ชาติเนี่ยสติดึงให้ปัญญาสอบสวนโ้ ย, ยิ่งใหญ่มากใช้สติได้นีกว้างใหญ่ไพศาลมหาศาล ใครฝึกได้อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยโหสตินี่สามารถที่จะดึงเรื่องอดีตมาให้ปัญญาสอบสวนได้ทุกเรื่องทั้งดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นรูปารมสัตร า, ารมกันฑ า, ารมร์ส า, ารมบวดารมหรือธรรมอารม์ทั้งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยใช้สติในการดึงมาได้ดฝึกดึงมาได้หมดเคยเคยเคยให้สติทาหน้าที่แบบนี้ไหมล่ะ ่การชำระก็คือตื่นมาแล้วมันดูแยกย่อยอันนี้ก็เป็ตัวใช่พอสติดึงมาก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วเพราะสติเป็นกุศลสติเป็นโสภณธรรม <c oughs> นั้นจะเป็นดึงบาปมาก็ได้ไม่มีปัญหาดึงคนที่เราเกลียดมาก็ได้ <c oughs> แล้วก็เห็นไหมเพราะสติไม่หลุดลอยหายไปไม่เลื่อนเลยดูยังไงก็เป็นกุศลอยู่ดีแม้อารมณ์เป็นบาปแม้อารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอารมณ์ที่เคยไม่ชอบ พอสติเกิดขึ้นตอนนั้นสมาธิแนบชิดติดไอตัวอนุสัยไม่ผักไม่ผักเวนบริวิทยุธานเนี้ยนีน่นอนพอสติแข็งแรงจัดการซะเลยเนี่ยทำลายอารมณ์ของอนุสยัยซะเลยเพราะอารามานานุใส่เนี่ยมันชอบเชื่อมให้การมาลาคานุสัยเกิดดีนะชอบเชื่อมให้กับปฏิภาคานุสัยเกิดดีนะเขาชอบมาเป็นอา ร, มรามานปัจจัยเพื่อกระตุกให้อนุสัยมันผุดขึ้นดีนะสติจัดการซะเลยทําลายเสียทลายที่ตั้งมันเสีย ขยายหมายความนี้ไหม ก, ก, ก, ก็คือทําลายที่ตั้งเอามาวิจัยจนทะลุทะลวงเบีดเสร็จหมดแล้วคือเขาเดินแต่ว่าตัวปัญญาต้องมาสติเนี่ยตั้งหลักเมื่อเรามานัศิการเพื่อจะให้สติทํางานสติก็ทํามนัศิการให้สติดึงมาแล้วก็มานสิการเพื่อให้ปัญญาเข้าไปทํากิจทั้งหมดเหล่านี้ต้องเป็นกระบวนการเหตุการณ์ ให้ให้ให้ให้มนสิการให้อาหารให้เขาเด่นเมื่อสติล็อกจับอารมณ์ได้แล้วก็ปัญญาสอบสวนวิจัยแยกแยะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยก โ, โกรธโกรธอะไรมนสิการไปเกลียดอะไรไม่ชอบอะไรวิจัยแยกแยะในส่วนไหนเขาก็เป็น บุคสัต์ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายผูกเวรไปทำไมลงสู่ชาวนะจนเสียหายกลายเป็นอนุสัยเป็นปฏิคานุสัยเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินไปแล้ววิจัยโหเห็นหมดพอไหมไม่พอวิจัยต่อชำระหมดหรือยังยังมีแง่ไหนมุมไหนค้างคาไหมหมดหรือยังหมดแล้ว ถ้ากระแสชีวิตเนี่ยไปเกิดหน้าที่ไหนไหนไปเจอในอัตภาพใดๆยังจะขัดเครื่องอยู่ไหมไม่มีแล้วจนกว่าจะเข้าถึงปรินุบาทาปริพพานได้ไหมได้จะโอเคผ่าน <c oughs> ชำละให้หมดยังมีเรื่องต้องชำละเยอะไหมเนี่ยเ <c oughs> ยอะไหมแค่ในบ้านก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว <c oughs> เอออย่างนี้เป็นต้นไง นี่เป็นต้นสำหรับใครทำบ้งผ่านในยีวิบางคนมีทิฏฐิทิฏฐิล็อกว่าอย่าไปยุ่งอทิฏฐิมันจะบอกอย่าไปยุ่งอย่าไปคิดถึงมันได้เล ย, เลยไปเกี่ยวข้องกับมันเดี๋ยวไปเกิดร่วมกันไอ้มันก็ไปทั่วมั่วหมดใช่ไหมแต่สติปัญญาบอกว่า เราจะทำตามทิฏฐิหรือจะทำตามปัญญาเรยสติเริ่มมาเบรยสดขคัดกองแต่ก่อนทิฏฐิบอกแบบนี้เข้มอย่างนี้มีทัศนะแบบนี้ที่ไม่เป็นไปกับพระธรรมคามสอนทำให้เรามีร่องลึกและแข็งทื่อมาทุกวันนี้ยังจะรักษาล่องนี้วิธีการนี้ความคิดแบบนี้อยู่ไหมยังจะเชื่อมั้ยปัญญาวิจัยโอ้ไม่เอาแล้วนี่โอ้โห มันกลายจนกลายเป็นว่าไอ้สีหน้าแววตามองคนนั้นยังเป็นเหมือนนั้นเดิมเหมือนเดิมอยู่นะทั้ทงๆ ท, ที่มันทำลายความรู้สึกยังรู้สึกเวลาทํากับคนนั้นยังมั น, ม, นมันออกมาแบบห ย, ยาบๆอ ย, ย่างเดิมอยู่เลยนะขนาดนั้นเโอโ้โหมั <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> มนฝังร่องมาขนาดนั้นมันฝังร่องมาขนาดนั้นจนคอยบอกว่าฉันเป็นคนอย่างนี้แหละพูดเสียงดัง แต่ในใจไม่มีอะไรเหมือนกันแต่คนพูดมีจริงๆนะบเพราะไม่รู้มไม่รู้การถอนวิธีการถอนโคลนถอนรากหรอกมันถอนได้แค่ทั้งล่างมันจะเป็นเรื่องของปัญญาใช่ไมปัญญาระดับนี้มันยังได้แค่นี้เองถ้าตราบใดมันไม่ถอนสันตานานุสัยให้หลุดได้มันก็อ ร, รมาณานุสัยก็แค่ชำระใช่ไหมล้วแค่ชำระแค่ที่ตั้งเขา แต่ฐานอนตัวเขายังไม่ถูกถอนตามใดก็เพียงว่าอ๋อที่ตั้งนี่เราชําระไว้แล้วเหตุผลที่ต้องชําระไว้เพราะแหมปรลยุทธฐานนะเกิดทุกทีวิติกามาเกิดทุกทีเมื่อเห็นอารมณ์นี้เห็นเรื่องราวนี้สติต้องไม่ทํางานเล ย, ยนี่เป็นต้นนี่มันต้องชําระตรงนี้อยู่เรื่อยเลยเนี่ยว่ากันเถอะแต่ในที่สุดจริงๆอ่ะเราจะต้องไปดึงเอเสนตานะนัสต์ต้องประชมปัญญาในอริยมรรคถอนมันเนี่ย ถ้าตราบใดยังทําประชมุมปัญญาในเดียมกักถอนไม่ได้ปลอดภัยไม่เลาไม่ปลอดภยัยเดือยวางระเบิดเวลาเดี๋ยมันก็ขึ้นมาระเบิดตุมตามตุมตา ม, ตมอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไหมละ่ะก็สู้กันอย่าง <ble ane> นี้นี่นี่พอมองเห็นเลยว่าฉะนั้นการที่ว่ายึดเหนื่ยงอารมณ์ไว้ไม่ได้ไม่ให้เลือนหายไปทำให้สามารถระลึกถึงได้อยู่เสมอในยามที่ต้องการเวลาเรา คนที่เดินเมตตาภาวนาเดเวลาใช้สติเนี้ยในการระลึกแล้วก็ทำสามยุตธธรรมมีอโทสะคือเมตตาให้ทากิจสติก็บอกว่าอ้าวเนี่ยเมตตากับกระแสกับกับคนคนนี้มันไม่เกิด ก็ระลึกถึงพฤติกรรมส่วนดีระลึกพฤติกรรมส่วนดีของเขากายกรรมที่ดีวจีกรรมที่ดีของเขาเนี่ยนะก็เกิดความรากักความปราถนาดีความเอื้อทอนใช่จับจิตจับใจเกิดขึ้นเลยแต่เนี้ยอา้าวสติก็ล็อกอารมณ์นะั้นระลึกไว้เมตตาทำหน้าที่ไป เจตนาก็ตุ้นเตือนให้เมตตาทำหน้าที่โอ้โหทำใหญ่เนี่ยเมตตาก็เกิดเกิดรักปรารถนาดีเ อ, อ, อื้อธนต่อกระแสชีวิตนี้จะไม่จะไม่ฆ่าจะไม่บุญพุทผิดในการจะไม่ทำบาทุสร้ายแม้ในขณะนี้แม้ในการต่อไปเจอในอัตภาพใดขนาดใดก็ขอให้มีความรักความปรารถนาดีเอื้อธนต่อกระแสชีวิตนี้จนกว่าจะถึงซึ่งอนุ ป, ปาค า, านิพันธ์โอ้โหมันไปพื้นพื้นเลยสุดพื้นเลได้หรือยังคุ้นเคยหรือยังคุ้นเคยแล้วชำนาญหรือยังโอ้โหแตเนี้ย ไม่แค่ไม่ต่อไปไม่ต้องแค้นเลยเนะียไม่ต้องกระตุ้นเลยนะี่ยระลึกปุ๊บเมตตาพื้เกิดเกิดต่อเนื่องขยายเลยขยายเมตตาไปบุคคลอื่นไปหลายบุคคลได้โอ้โหทั้งบุคลบคลที่เคารพบุคคลที่รักบุคคลที่เป็นกลางกลาแม้บุคคลที่เกลียดโอ้ยทําให้มันเสมอเหมือนเดิหมดเลยาะนั้นไอตัวปฏิคานุสัยจะผุดมาเป็นปริยุท ธ, ธานะวิติกะมะหมดกําลังลงโอ้โหหมดเลย ทำลายเรียบร้อยไปหมดเลยใช่ไหมได้ได้เรื่องได้บังง่างยัางแบบนี้เออใช้ได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันทำได้จริงจงดิมันแต่นี้ออาแต่นี้ยฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้ตัวยึดหน่วงอารมณ์ไว้ไม่ให้เรือนหายและทําให้สามารถระลึกได้เสมอหน้าที่ของไอ้นี่อารักขาปานะุยเปรมคือล็อกอารมณ์ไว้จําได้แม่นเลย จะนึกถึงคนนี้ให้เมตตาเกิดนึกมุมไหนจําไว้หมดจําไว้หมดเอาแต่นี้มุมกรุณาจะนึกถึงมุมกรุณาสงสารกับบุคคลเหล่าเนี้นะสติก็ดึงมุมกรุณาบอกกับบอกกับกรุณาจิตกรุณาจิตก็ทํากิจในการโอ้กรุณาปราถนาอยากให้คนทุกอย่างเลยโอ้โหมองเห็นมุมนี้ทีไรกรุณาทราบซ่านเกิดเป็นเนื้อเป็นตัว อาวโดนมุมธิตาโอ้ได้จันชำนานในมุมพธิตาพลอยยินดีเป็นต้นอามุมวางใจเป็นกลางสัตว์ทั้งหลายมีกรามเป็นของตัวเองสรุปแล้วก็คือว่าสติล็อกกระแสชีวิตได้คน ม, มองเห็นได้ทุกมุมทีํำนานมากเลยสามารถระลึกให้เมตตาเกิดมาอะไรก็ได้ก็ไปจับไอปิยามานาปิยามานาบุคคล อารมณ์ที่เป็นที่ให้เกิดเบตตาทุกคิตตั์อารมณ์ให้เกิดกรุณาสู่คิตตัสที่เกิดมุทิตาแล้วก็มัชตาสตาติาที่เกิดที่เป็นอุเบคามันสติทำกิจได้โอ้โหชำนาญมากแล้วก็บางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานไม่เคยเจริญพรหมวิหารครบเลยเนะเออปลาหลาดมาเคยไปสอบถามว่าอยู่ด้วยกันมากี่ปีโอ้อยู่ยกันสิปีเนีย่ยพากันไปปฏิบัติธรรมะตลอดฉันก็เลย ว่าเคยเคยตั้งเมตตาต่อกันยังไงกรุณาต่อกันยังไงมุทิตาเวกขาเคยเดินกับพระมิหารในในในคู่ชีวิตเนี่ยได้ครอบไหมไม่ผมไปเดินกรรมฐานอื่นเจอเรินแล้วงานเป็นอย่างเงี้ยมันไปปฏิบัติธรรมกันแบบงงในชีวิตงงในชีวิต มันไม่เกิดจริงมไม่เข้าใจธรรมะมันไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมเขาเรียกว่าข้อมูลมันไม่พอทีนี้ถ้าทำอย่างนี้มากๆแล้วมันจะสามารถระลึกถึงสิ่งต่างๆได้โดยที่สิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเฉพาะหน้าก็าเรียกดึงมานี่ก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตรงนี้เป็นความสามารถของสติ นั้นสติเนี่ยถ้ามีกำลังมากมากเนี่ยมันสามารถเห็นได้เหมือนกับตาเนื้อเยยิ่งกว่าตาเนื้อมันเห็นได้ขนาดนั้นทั้งๆที่เรื่องราวนั้นผ่านมาแล้วเห็นภาพชัดเลยมันมันไ ป, ม, นไปมันไปเกิดร่วมกับสัญญาที่มั่นคงพอระลึกมาได้เนี่ยเห็นชัดอย่างกับดูภาพยนตร์ไคเป็นยังเคยได้ขนาดนั้น น, นี่แต่ยังไม่ได้ใช้สติขนาดนั้นถ้าได้ขนาดนั้นเห็นเลยใช่ไ ได้ไหมเคยได้ขนาดนั้นไม่เรื่องราวที่ผ่านมาเห็นภาพเห็นเหตุการณ์เห็นอุปกรณ์เห็นเห็นแม้กระทั่งความคิดนึกของตนเองที่ทําในขนาดนั้นได้ขนาดนั้นดิยังถ้าได้เรื่องนี้ยชัดนี่ใช้สติเริ่มชัดเลยเห็นเป็นเรื่องราวโอ้โหทุกขั้นตอนเห็นภาพตัวเองเดินทํากิจกรรมหนึ่งหมผ้าทํากิจกรรมสวดมนต์อะไรเงี้ยนะเห็นเนบางทีมันบางคนี่ยไปทํากิจกรรมพวกเนี้ แต่ระลึกลเลือนหมดเลยมันไม่เห็นทันที่จําไม่ได้เลยอย่างเี้เป็นต้นพอสติมันเกิดขึ้นเนี่ยอมันเห็นจดจอขนาดที่เห็นชาัดเลยนะเคยได้ยินคําว่าต้องตาต้องใจมั้มันเห็นอย่างเง้ยต้องตาต้องใจก็อย่างเีไม่รู้อะไรไม่รู้ภาษานี่เขาใช้กัน ต, ต้องตาต้องใจบ่โ อ, โอละเลยจำ ม, มันอ <laughs> ย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสตินี่ก็เหมือนกันนะผูกพันอยู่กับอารมณนะ์ผูกพันจะไม่ใช่ผูกพันแบบกา ร, รมออคุณอันนี้เป็นต้นนะนะลักษณะของสติสติละเปรียบเทียบเหมือนเหมือนเหมือนกันนายประตูเหมือนกันนายประตูที่ว่าเมื่อกี้นะี่คอยระวังเฝ้าดูคนเข้าคนออกและคอยกํากับ ปล่อยให้คนที่ควรเข้าเข้าไปแล้วก็เอาออกออกได้ก็คือว่าคอยกันห้ามคนที่ไม่ควรเข้าไม่ให้เข้าคนที่ไม่ควรออกก็ไม่ให้ออกสติก็เป็นลักษณะอย่างนี้เช่นเช่นราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่ให้เข้าใช่ไหมไม่ให้เข้ากันเลยส่วน ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเนะี่ยให้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเพราะภาษาเวทนาสัญญาจะออกไปไม่ให้ออก <c oughs> ไม่ออกอย่าออกเลยอย่าออกอย่าออกออกไปไม่ได้ให้อยู่ในนี้น <c oughs> ถ้ามันจะออกไปเรื่อยนะอย่าเลื่อมนะถ้ามันออกไปยุ่งเลย <c oughs> เดินกุศลไม่ได้เลย <c oughs> ใช่ไหมล่ะให้สัญญาออกไปกับเวทนาออกไปแคนี้ก็ยุ่งแล้วกุศลเดินไม่ได้แล้วขันไม่พบใช่ไหมล่ะแจ้งบอกไม่ไม่ให้ออก โอ้ยให้เหตุให้ผลให้ปัญญามาจัดการเลยเบีดเสร็จจนสัญญาอ่อนย้อมยอมแล้วไม่เอาอีกแล้วเอากุศลสัญญาแล้วแต่ก่อนมีความสามารถมากปรปันจัดสัญญาเอากุศลสัญญาใช่ไหมตอนนี้เอา้าให้มาทํากุศลสัญญาจําในรูปที่เป็นกุศลอรธานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลจำในเสียงในกลิ่นนี่แหละจาในรสเผอดผ้าและทำอารมณ์นี่แหละแต่เป็นกุศลสัญญาเนะ พอเป็นกุศลสัญญาเป็นวิชาภารยิสัญญาได้ไมันเป็นอสุภาษสัญญาเป็นอันนี้โอ้โหเป็นเลยใเยนะี้เอาให้จําในเรื่องนี้บอกไม่อยากอยู่แล้วบอกไม่ได้ไม่ได้สติก็คอยกันไว้ไม่ให้ออกพอมันจะไปจําในสีเสียงกลิ่นรสที่จะเป็นการมงคลไม่สติล็อกไว้กันไว้เนี่ยคอยห้ามไว้คอยกํากับไว้ไม่ให้ออกไปเพ่นพ่าน เวทนาจะไปเสวยการมบุญต่างๆบอไม่เนี่นยเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะเป็นเสวยรถของศีลดของนะลถของศีลดีรถของทานกุศลรถของศีลกุศลดของ ส, งสมาธิกุศลถของภาวนากุศลเวทนาบอกแม้เนี่ยศีลแบบนี้รักษาเริ่มจิตจืดแล้วมีวิธีการนะให้เดินศีลอย่างอื่นให้เดินสมาธิกลุ่มอื่นให้เดินหมวดอื่นโอ้เวทนาเสวยรถ รสของกายคตาสติโอห์ oh, หอมหวานขนาดนี้รสของอสุภะกรรมฐานรสของวรณานุสติรสของจาคานุสติรสของพุทธานุสติให้เวทนาได้ดื่มดมสติจนรู้สึกว่าโอ้ยรสของกามคุณสู้ของรสพุทธคุณไม่ได้เลยขนาดนั้นนลยนี่เชิญชวนไม่ถ้าทำเป็นกันจริงๆลองไปทํำดูดิแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนั้นมันนุ่มดื่มดม เพราะว่ามันมันเป็นธรรมรถใช่หมรถแห่งธรรมชนะรถทั้งพวงรถของสติปทานสมัมประทานอิทิบาทอินทรีย์พระพุชงอรมากรถของธรรมชนะรถทั้งพวงนะปัญญาก็บอกสติก็ระลึกบอกว่า เห็นไหมรถของกามคุณสีสวยๆเสียงเบาๆกลิ่นนองหอมทั้งหลายรถสุธาโพธิ์เอย่ยรถของพวกเทวดาก็ดีที่สวยกามเทพกาเมสุทั้งหลายรถอาหารอรตอร่อยทั้งหลายรถเหล่านั้นมันก็ดีอยู่นะแต่มันจมลงในชาติทุกชราตทุกปยาทุทกมรณะทุกนะันําไปสู่เกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตาอีกจมอยู่ในสังสารวัตรมันไม่เลิศเท่ากับรถของสติปัฏฐานโอ้โหแต่เนี้ยเวทนาถูกถูกกลับออกกับใจแล้ว โอ้โเวทนาเกิดร่วมกับสัญญาคาบเลยเดีนี้ต่อไปจะไม่ไปปรุงแต่งอกุศลเนยจะไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นอกุศลนจะปรุงกุศลนะจะปรุงกุศลโอ้โหอ่อนโยนเลยถามให้เวทนากับสัญญากลับใจยังอย่า ง, งอันตรายนะให้ข้อมูลมันพ้อยอยัง เดี๋ยววิ่งพวดไปซนะิบอกไปเข้าออห้างไม่ได้โอ้โหไปเลยเดี๋ยวเข้าออห้างเข้าแล้วโอ้ไปทั่วเลยทียนี้ไปเดินลมพัดเฉยๆิวัดอพอ ไ, <c oughs> ไปเข้าจริงโอ้โหเพลินเลยฟัยงธรรมะหนึ่งชั่วโมงโอ้อึดอาจพอไปตรงนั้นสามชั่วโมง น, นิดเดียว <c oughs> เสวยการมาคุณนี่แม่มันรสชาติติดอกติดใจ เ, เริ่มเห็นนี่ไงเพาจริงๆมันเรื่องของต้องต้องต้องยังไม่ขาดใจนั้นตัวตัวพวกเนี้ยต้องพยายามให้ข้อมูลเขาให้มากแล้วให้เขาได้ดื่มด่ำจริงๆให้เขาได้ดื่มดำ่ำให้เขาได้รับเ อ, อได้เสวยรสของศีลสมาธิปัญญาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแค่ ไปเดินหรือบรอบขอบสระกับน้ําเย็นสะอาดกลับน้ําเย็นนี่สะอาดสะอาดมากเห็นไหมบรรยากาศ ก, ก็ดีแล้วก็กลับอนี่เรียบร้อยเดี๋ยวจะจอยู่ในางมาคุณแปลว่าคุณไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลงจัดการมันคนต้องให้เขาได้จริงๆนะให้เขาได้จริงๆให้เขาได้ดื่มด่าให้เขาได้ลึกจริงๆอย่าไปกักกลัวศรัท ธ, ธามากเกินไปไม่ต้องกลัไปล่อยไว้บางทีมันมันมัน ดูเหมือนโอ้จะถูกหลอกก็เปล่าอย่างเงี้ยไม่เชื่อพระเจ้าแต่เวลากามาคุณไม่เคยสงสัยเลยอะ่ะใช่ไหมไม่เคยสงสัยเลยดื่มดํามาจนแบบโหกระลุงกระลิงหมดแล้วแลว่าสติเกิดเนี่ยสติจะ ส, สติสติเข้าใจสติคืออย่างนี้ไอตัวนั้นมันเป็นวิตกที่มันเกิดร่วมกับกาเมวิตกเป็นต้น เขาเรียกวิชาสติมันกลุ่มอกุศลสติม่แปลว่าเป็นตัวกุศลใช่ใชมิจฉาสติในในยะของระสูตรมันอีกเรื่องเนียตรงนี้ก็ให้มันอยู่ที่ว่าข้อมูลแห่งธรรมะและปัญญาที่จะให้ข้อมูลแก่สติให้กว้างขวางแค่ไหนสติมันจะกว้างขวางหรือไม่กว้างขวางมันอยู่ที่การเกิดร่วมกับปัญญาปัญญาไม่ได้กินข้อมูลแค่ไหนได้รับรู้ข้อมูลแค่ไหน ปัญญารับรู้ข้อมูลเพียงอานาปนะมันก็ได้ความสุขแค่อนาปนะถ้ารับรู้ข้อมูลกา ย, ยกะตาสติหรืออีกเยอะมากยังไงข้อมูลจากการฟังจากการไข้ควรจากศีลจากอะไรเนี่ยปัญญาต้องมีหน้าที่ให้ข้อมูลกลุ่มพัมธรรมะเหล่านี้อยู่วนะ่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรเงี้ยเป็นต้นตัวปัญญาก็เป็นตัวคัดสรรตรงนั้นการทําหน้าที่ของสตินะอย่างที่ได้บอกไว้แล้วก็เหมือนกับนายประตูที่จะกลอยเฝ้าระมัดระวัง ห้ามคนที่คอยกันห้ามคนที่ไม่ควรเข้าแล้วไม่ให้เข้าคนที่ไม่ควรออกก็ไม่ให้ออกสติเป็นธรรมะสําคัญในทางจริยธรรมอย่างมากทางจริยธรรมทุกระดับจริยธรรมระดับศีลระดับสมาธิอย่างเป็นระดับปัญญาและเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเป็นตัวคอยป้องกันยับยั้งตนเองทั้งที่จะไม่ให้หลงเพลิดเพลินในความในไปตามความชั่ว เพราะว่าจริงๆบางทีตัวเวทนาตัวสัญญาตัวกลุ่มสังขารธรรมอื่นๆที่ไปเกิดร่วมกับบาปอากุรากรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้ น, นมันจะเพลินสติจะคอยหยุดยั้งสกัดไม่ให้ไปไม่ให้ออกไปอีกแล้วแต่นี้ฉะนั้นหน้าที่ของสติก็กันพวกกลุ่มสภพจิตตะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้ น, นให้มาอยู่กับกลุ่มกุศลธรรม ป้องกันไม่ให้ราคาตัวสามโหะไหลเข้าสู่จิตเป็นตัวปิดตัวกัน้นแล้วไม่ให้ออกไปด้วยไม่ให้ออกไปและในขณะเดียวกันให้ทําหน้าที่เจตนากระตุ้นเตือนให้ทําในปัญญาก็ให้ข้อมูลพอปัญญาเข้ามาวิจัยแยกแยะแล้วเริ่มเข้าถึงให้กลุ่มนามมาทําเหล่านั้นกุศลธรรมเหล่านั้นไ ด, ได้ได้รับสวยรดของพุทธคุณจริงๆธรรมคุณจริงๆสังตคุณจริงๆทีนี้ ไม่นาข้าวนาข้าเนี่ยเขาเปรียบเทียบได้เมื่อได้จริงๆไม่ได้เสวยรสจริงๆแต่ถ้าไม่ได้ให้เขาเสวยรสของศีลสมาธิปัญญานะไม่ให้ได้ดื่มด่าไม่ให้เข้าถึงตรงนี้นะเดี๋ยวก็แล่นไปหากรรมมาคุณอย่างนึิมแต่ถ้าเขาได้แล้วเปรียบเทียบได้แล้วเขาเปรียบเทียบได้เขากลับไปหากรรมคุณเก็จะหงอยมากเอ๊ะทําไมมันไม่มีรสชาติเลยทําไมมันจืดมันเชื้อดอย่างงี้ ทำไมไม่ไม่เห็นรสชาติอเนจอร่อยอะไรเลยถ้าอย่างนี้ใช้ได้หรือบางทีไม่อยากมองเลยกามมคุณเนี่ยใช่ไหมมันจำเป็นแท้ๆเลยนะเนี่ยจริงๆมันต้องมาเกี่ยวข้องกับกรรมคุณเพื่ออะไรเพื่อให้กระแสของขันของของไอตัวขันห้าที่มันเกิดจากกรามเนี่ยมันเป็นไปได้ เพื่อเข้าถึงธรรมะที่มันละเอียดไปบูญยิ่งๆขึ้นไปนะถ้ามีวิธีอื่นไม่เอาเลยในกระดานั้นเลยเมันเห็นขนาดนั้ น, นะ น, น, นถ้าอย่างเงี้ยชัดอย่างเงี้ยมันจะเริ่มชัดตอนนี้ก็คือว่าสติก็เป็นตัวควบคุมการปฏิบัติแล้วก็คอยป้องกันยับยัง้งไม่ให้หลงเพลินนะต่างที่ได้กล่าวแล้วแม้จะไม่ให้ความชั่วเล็ดรอดเข้าไปในจิตได้ก็หมายความว่า เตือนตนในการทำความดีก็ปิดโอกาสเตือนตนให้กระทำสิ่งที่ดีตลอดไม่เปิดให้โอกาสให้ความชั่วเข้าเลยแม้แต่น้อยถ้าสติมาปิดขนาด น, น้นิดนึงก็ไม่ให้เข้าเลยนะถ้าต่อไปนะปิดตายเลยฮนะปิดตายเลยไม่ให้ความชั่วเข้าเลยไม่เปิดเลยความชั่วเคาะประตูแก๊แก๊กๆๆ๊กกไม่ได้รู้สึกเด็ดเดี่ยวมากรือไม่เอาไม่เอามันขนาดนั้นเลย พอมันเริ่มมันยุคคนละธรรมมันชัดแล้วปิดตายแล้ว ม, มันแล้วให้ทาความดีต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องไม่หยุดไม่เปิดโอกาสเลยเงั้นความดีความชั่วจะมาทางตาก็ไม่ให้ทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายทางใจเปบไม่เปิดโอกาสเลยไม่ให้เล็ดลอดไม่ให้ไม่ความชั่วเล็ดลอดเข้ามาได้เลยเนะนี่ยเนี่ยมันปิดได้ขนาดนั้นในสติเป็นตัวปิดกั้นได้ขนาดนั้น บางทีถ้ามันสติยังอ่อนแอยังยังประชมกุศลธรรมไม่ได้เผอแว บ, บเดียวโอ้โอตัวร้อนเลยวันนี้ตัวร้อนแล้วไปแล้วแต่เนี้ยโอ้โหยังห่างมากใช่ไหมได้ขนาดนั้นยังได้ยังโอ้ดีฟังเราชื่นใจไม่เปิดโอกาสเลยหนึ่งไม่เปิดนั้นโอกาสให้กับความชั่ว แล้วก็ความสําคัญของสติอย่างมากในคําสอนก็คือว่าเป็นการปฏิบัติในท่านของจริยธรรมทุ ก, ทกระดับทุกขั้นการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติเนี่ยให้มีสติกํากับอยู่เสมอตรงนั้นเขาภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอัปปมาทะก็คือความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งเพื่อความก้าวหน้าในระบบของจริยธรรมระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาระดับโลกุตรราชเนี่ย เนี่ยก็คือการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติอัปมาทะในที่นี้ก็คือการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติค่ขาขยายความก็คือการระมัดระวังอยู่เสมอไม่ยอมไม่ยอมถลําลงไปในทางเสือและไม่พลาดโอกาสสำหรับความเจริญก้าวหนนะ้า <c oughs> คือบางทีเนี่ยถ้าคำว่าอัปมาทะหรือความเป็นอยู่โดยการไม่ขาดสติเนี่ย นอกจากระวังไม่ให้ถลําลงไปในความเสื่อมด้ยบางทีเป็พลาดใช่ไหมบางทีไปพลาดโอกาสเช่นพลาดโอกาสในการที่จะฟังทำพลาดโอกาสในการที่จะปฏิบัติทำพลาดโอกาสในการที่จะเดินธรรมะในขณะนั้นในสถานการณ์นั้นเนี่ยตัวสติจะต้องคอยเตือนตลอดจะไม่ให้พลาดโอกาสนั่นเลยถ้าเป็นมีโอกาส ถ้าโอกาสในการที่จะฟังทำเนี่ยโอ้โหมันทันทีเลยนะที่จะขวนขวายในการหรือที่จะปฏิบัติธรรมมาเนี่ยจะไม่ปล่อยถ้าเมื่อไหร่ก็ได้รู้ทันทีนะแสดงว่าสติคุณอนอนี่งถ้าสติแข็งกล้าจริงๆเนี่ยไม่พลาดเลยเพราะมันสําคัญมากในการระบบที่จะเจริญก้าวหน้าไปสู่การพ้นทุกข์ใช่ไหมมันเป็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องดีงามในการที่ดําเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยก็ไม่พลาด คนที่อยู่โดยอปมาถธ้ธรทำหรือสติที่ค่อนข้างแข็งแรงจริงๆแต่ก่อนเราสมัยหลังๆพุทธกาลรรแม้ขั้งพุทธกาลพอกิจกรรมในการฟังธรรมแต่ละทีมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากบางคนเดินทางเป็นร้อยโยอดเดินก็เป็นเป็นเป็นเลย200รยกิโลเดินไม่หยุดมีอยู่องค์หนึ่งเดินไม่หยุดเลยมาไม่ทัน ถ้ามาโัวเจาาพักาวารก็จบท่านไปนั่งร้องไห้อยู้ท่าที่ท่านแสดงทำก็มาร้องไห้ผมมาไม่ทันท่านกับเดกพุ่งนี้แสดงเหมือนเดิมโห้โหหรอท่านได้บรรลุอมได้บรรลุในนี้เห็นชัดเลยว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะซึ่งซึ่งในระบบวิธีคิดในปัจจุบันมั น, ม, นมันหมดแล้ว เราก็มานั่งคิดไว้ทำไมยิ่งใหญ่อาหารมันสําคัญต่อชีวิตแต่ละมื้อแม้ชั้นใดแต่ธรรมะโอสถมันสําคัญยิ่งกว่านั้นเพราะมันจะเป็นการดําเนินชีวิตไปตามอริมาปฏิดาถูกทางหรือไม่ถูกทางก็เพราะข้อมูลที่ถูกต้องดีงามใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันมันมันมันมันเรากลับเรากลับไม่เห็นความสําคัญซึ่งขึ้นซึ่งระบบระบบกระบวนการความคิดลักษณะนี้ เราจะเห็นว่าสติตัวเนี้มันไม่ได้ถูกบ่มให้ใหมีพลังเพราะพอมีพลังจริงมันจะตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องทําแล้วก็ต้องไม่ทำมันจะมันจะเห็นชัดแล้วก็ใส่ใจอยู่เสมอในหน้าที่ไม่ปล่อยป่านเลยแล้วก็ทําด้วยความจริงจังและพยายามเดินลุดหน้าอยู่ตลอดเวลาอสติเพราะนั้นอัปม า, าทัศน์ธรนี่เป็นหลักความรู้สึกและผิดชอบขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน ในแง่ความสําคัญของอัปมาทานมันจัดอยู่ในองค์ประกอบภายในเช่นโยนิโสมรัสิการที่มันคู่กับหลักกัลยาณธรรมิสที่เป็นองค์ประกอบภายนอกพุทธพจน์ที่ให้ความสําคัญในอัปมาธาธรรมบางทีก็ซ้ํากับโยนิโสมรัสิการนีอย่างยกตัวอย่างคือว่าไอ้ตัวโยนิโสมรัสิกาเนี่ยเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญาใช่ไหมโยนิโสเป็นปัจจัยเกิดเป็นองค์ประกอบ เป็นอุปกรณ์สําหรับใช้ใช้การทรำส่วนอั ป, ปมาธาเนี่ยเป็นองค์ประกอบฝา่ายจิตคือด้านสมาธิเพราะสติเองนะสติมันเป็นสติสมาธิและความเพียรเป็นองค์ของสมาธิสิกขาโยนิโสมนสิการสมาสังกปะเนี่ยสมาธิถี่ไอ้กลุ่มสมาสังกปะหรือโยนิโสมนสิกานเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญา น, นีนี่นมันมันมั น, ม, นมันคู่กันอย่างนี้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 แล้วก็ประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมดความไม่ประมาทเรียกว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นฉะนั้น เ, เข้าใจคํานี้ไหม <c oughs> เข้าใจคําว่าไอ้ตัวรอยเท้าช้างสัตว์ในโลกเนี่ยรอยเท้าช้างใหญ่สุดฉะนั้นเป็นรอยเท้านี่รอยเท้าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้อะรก็รวมลงในรอยเท้าช้างแม้ชั้นใดตัวเนี้ยนะ ตรงนี้ก็คือความไม่ประมาะทกุศลธรรมทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูลคาว่ามีความไม่ประมาทเป็นมูลเพราะเพราะสตินี่แหละความไม่ประมาทนี่แหละเป็นมูลเป็นรากของกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหมดที่เรียกว่ากุศลทั้งหมด นะไม่ว่าจะเป็นโลกิยาคุศลโลกุตระกุศลกามาวจรกุศล ร, รูปาวจรกุศนอรูปาวจรกุศลโลกุตระคุศลกุศลทั้งหมดเหล่าเนี้ยมีความไม่ประมาทเป็นมูลแปลว่าถ้าจะได้กุศลเหล่านั้นต้องมีความไม่ประมาทเนี่ยมีความความไม่ขาดสติตัว น, นี้แหละเป็นมูลเป็นรากและก็กุศลเหล่านั้นทั้งหมดประชุมลงในความไม่ประมาทใช่ไหม ถ้าดูบ อ, อกว่าหันทานนี้พิกคุเรอามันเยามิโวโยะธรมาสังขาลาอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทถานนี้เปบัญชิเมวาจาัเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยเนี่ยประชุมลงในความไม่ประมาฉะนั้นความไม่ประมาจึจงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดในบรรดากุศลธรรมเป็นมูนลรากของกุศลธรรมทั้งหลายเป็นต้นเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นความไม่ประมาจจึงบอกเป็นยอดเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือ อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทเลยเมื่อไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปฉะนั้นขอให้มีสติกำกับอยู่กับตัวเหอะนะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเลิญไปบูุ์แต่ถ้าสติหลุดเมื่อไรเนี่ยอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถึงความไปบุ์ของอกุศลเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นสติเนี่ยจะมันจึงมีความสําคัญอย่างนี้อภิ แล้วจับยอดของธรรมะได้จับมูลของธรรมะได้เราก็รู้แล้วว่าเราจะพ้นทุกอย่างไลสติเตสังนิวรณังสติเป็นทำนบกันกระแสบาปใช่ไหมเราไม่ต็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่คืออะไรปรมัทพประโยชน์ประโยชน์สูงสุดคือพันนิพพานนี่เนะี่ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ดารงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรธานแห่งพระสัตธรรมเหมือนความไม่ประมาทนี่เลยนความไม่ประมาทยิ่งใหญ่ไหม ย, ยิ่งใหญ่มากโดยกําหนดความเป็นองค์ประกอบภายในเราก็ไม่ไดงเห็นองค์ประกอบแม้สักข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนความไม่ประมาทโอ้โหองค์ประกอบภายในที่สําคัญที่สุดแปลว่าอะไรเน่บรรดาอารียมักมีองค์8สติเนี่ยสำคัญที่สุด ใช่ไหมโหสติสําคัญยิ่งเลยถ้าขาดสติเสแล้วจบหมดเลยนะไอธรรมะอือเพราะสติเป็นตัวดึงตัวตรึงตัวจับนี่ใช่ไหมความเพียรจะมา ส, สมาธิจะมาศรัทธาจะมาปัญญาทั้งหลายจะมาทํากิจทั้งหลายสติเนี่ยเป็นยอดเป็นตัวกํากับไว้เลยนะ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้จะล็อกอะไรให้ปัญญาเข้าไปวิจัยใช่ไหมจะทําให้สมาธิแนบแน่นจะให้ความเพียรสร้างสารรค์สติเป็นตัวเกลี่ยมหมดเลย เป็นตัวกำกับหมดอันนี้เพียนมากเกินไปแล้วอันนี้อันนี้สมาธิตั้งมากเกินไปแล้วอันนี้ศรัทธามากเกินไปอันนี้ปัญญามากเกินไปนี้ธรรมวิจิตสัมพุทธทงวิทย์ปีติสัมพุทชงมากเกินไปนี้ปัจจุบัสมาธิเวรขามากเกินไปสติทั้งนั้นเป็นตัวเกลี่ยทั้งหมดเป็นตัวกำกับจัดขัดสรรทั้งหมดฉะนั้นนี่แหละเขาเป็นยอดเขาเยอะยังเป็นยอดเนี่ยประชมลงตรงเนี้ยประชมลงในความไม่ประมาทขึ้นอย่างนี้ แล้วเห็นความชัดเจนตรงนี้มากขึ้นวรัาลจึงประกาศว่าเราเราเนี่ยไม่เร้งเห็นทำอื่นแม้สักอย่างที่จะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทเลยเมื่อไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปเป็นอย่างนี้ันดีอย่างนี้เลย เริ่มเห็ความสําคัญของสติสตินี่เป็นธรรมที่จําปรารถนาเลยในกิจทั้งหมดนในกิจทั้งหมดกินอาหารได้ไหมโอ้โหทั้งหมดนะในกิจทั้งหมดเราไม่ถึงไม่เร่งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เยอะไหมทิฏฐาธรรมิกาธรรโยน์สัมปราชิกาธรรโยชน์ปรมัตธรรมปรโยชน์ประโยช น, ยชน์ตอนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ย สูงสุดเนี่ยเหมือ น, นความดํารงมั่นความไม่สูญความไม่เสื่อมสูญในไม่อันตรท า, านใบแห่งศรทัทธาเหมือนกับความไม่ประมาทเลย เ, ยเนี่ยนอันนี้เป็นองค์ประกอบนี่นะโดยกําหนดเป็นองค์ประกอบภายในนะองค์ประกอบภายในของกลุ่มธรรมะทั้งปวงเนี่ยไม่มีองค์ประกอบภายในใดสําคัญหรือหรือยิ่งใหญ่เท่ากับสติ เราไม่เห็นเล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนความไม่ประมาณนั้นองค์ประกอบแห่งการบรรลุธรรมทุกๆระดับสติเนี่ยยิ่งใหญ่ขาดไม่ได้ใช่ไหมขาดไม่ได้เลยองค์ประกอบนี้ถ้างั้นยุ่งเล ย, เยบรรลุไม่ได้แม้แต่แม้แต่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจะเข้านิโรธสมาบัติก็ใช้องค์ประกอบคือสติเนี่ย ที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวเกลียทําให้สมถาวิปัสนาบาลานกันนะถ้างั้นเข้านิโรธาสมาบัติไม่ได้นี่อนาฏบรรลุแล้วนะยังหยุดการใช้ให้ความสําคัญของสติไม่ได้เลยแม้จะปรินิพานใช่ไหมจะเข้าอนุปาทาปรินิพานด้วยการที่สลับเนี่ยตัวสติเนะี่ยยิ่งใหญ่ยันยันปรินิพานนะจุตติเลยขนาดนั้นในขนาดนั้นโนะหยิ่งใหญ่มาก สตินี่มีความยิ่งใหญ่พรเจ้ารับประกันรับรองประทับตราไว้ว่าเราไม่เลงเห็นทำอย่างอื่นที่จะเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ไพบูรณ์เหมือนกับสตินั้นสติจึงเป็นยอดนะสิ่งทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ที่มุ่งหมายให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทดูที่ดูเทวติลงประชุมลงในความไม่ประมาทหมดเลยนะ บอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นปุปปานิมิตชั้นใดความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็เป็นตัวนําเป็นปุปปานิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอักอสดางขิมกามเกศภิกษุเชนะ่นนั้นดูสิเออความไม่ประมาทที่ยิ่งใหญ่มากนนั้เออแค่ไม่ประมาทอย่างเดียวเนี่ยประชุมโลกประชุมอริยมรรคได้ด้วย ธรรมะเอกมีอุปการะมากเพื่อความเกิดขึ้นของอริยะอัสดางคิกรรมะ ก, ก็คือความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเราไม่เล็งเห็นถึงทำแม้สักอย่างที่จะเป็นเหตุให้อริยะอัะอสดางคิกรรมะซึ่งยังไม่เกิดเกิดขึ้นและอริยะอัสดางคิกรรมะที่เกิดขึ้นแล้วให้ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เนะเหมือนความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเลย <S <S ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังอย่างนี้คือเธอจากเจริญจากทําให้มากซึ่ง อริยอสดางที่กรรมะโอ้โห <ayo> เห็นไหมขนาดนั้นเลยเนะนี่ให้ความสำคัญกับสติกับการกับความไม่ประมาทได้อย่างอย่างสูงสุดเลยซึ่งซึ่งจริงๆเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆภ <im itals> ิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสร้างอั ป, ปมาทะโดยฐานห้าสี่เห็นไ จงละกายยะทุจริตจงเจริญกายยะสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองอย่างนั้นเห็นไหมให้ละกายยะทุจริตเจริญกายยะสุจริตและอย่าประมาทอย่าอย่าประมาทในการทั้งสองอย่างนั้นมีสติกำกับว่าเจริญกายยะสุจริตละกายยะทุจริตเพื่ออะไรเห็นไหมไม่ใช่แค่นั้นเห็นไหมถ้าประมาทก็จะหยุดอยู่เพียงแค่นั้นต้องดำเนินไปสู่ความสิ้นจกกักริยาและกองทุกข์ให้ได้ให้ถึงยังไง จงละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตวจีสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองอย่างนั้นเห็นไหมเนี่ยให้ให้เป็นไปเพื่อที่ถูกต้องจงละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตและอย่าประมาทในการทั้งสองอย่างจงละมิจฉาทิฏฐิจงเจริญสัมมาทิฏฐิและจงอย่าประมาทในการทั้งสองอย่างนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่ารู้จักเนี่ยมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหม ความรู้ของเธอจึงจะเป็นสมาธิที่ถใช่ไหมทีนี้ในกรณีที่บอกว่ารู้จักสม า, ตมาสติมิจฉาสติความรู้ท่านจิงจะเป็นสมาธิที่ก<ม>็ทีนี้กรณีแห่งการที่จะเพียนเจริญเพียนในการที่จะเจริญสมาธิที่ถีเพียนในการที่จะเจริญมิจฉาทิติตัวสติต้องกํากับเนี่ยไอตัวต้องโตก็ต้องตัวกํากับเนี่ยทั้งนั้นเดี๋ยวมันเพี้ยนผิดใช่ไหมไอตัวสติก็คอยมากํากับ เพียรในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิเพียรในการที่จะจะในการที่จะเจริญสัมมาทิฏฐิไอ้กัวเพียรทั้งหลายสติก็ต้องคอยกำกับไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาวิมาตัวสัมมาสติเนี่ยมันเกิดร่วมกันก็จริงแต่ตัวสติเนี่เป็นตัวสําคัญตัวกํากับในการที่จะในเมื่อภิกษุร้ายละกายยะทศเจริญกายยสตจริตจนถึงละมิจฉาทิฏฐิเจริญสัมมาทิฏฐิเธอย่อมไม่หวาดกลัวต่อความตายที่จะมีในขณะข้างหน้า อลองคิดดูนะว่าเวลาที่เร า, าเราจเจริญล่ากายทุจริตได้จเรยยดจริญกายสุจริตร่กายวจีทุจริตได้จเจริญวจีสุจริตล่ามนโนทุจริตได้จเจริญมนโนสุจริตล่าความหินผิดได้แล้วก็จเจริญสมาธิฐิด้วยความไม่ประมาทนะสุจริตสามได้แล้วก็ตั้งอยู่ในกุศล อย่างติดต่อและต่อเนื่องและกุศลที่เป็นไปกับมชิมาปฏิปทา <c oughs> ตรงนี้แม้ความตายดักข้างหน้าก็ไม่กลัวยัไม่หวาดหวัน่นไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวาดกลัวเลยเนี่ยเพราะว่ า, า, า, วามาีความไม่ประมาทเป็นมูลอยู่ตรงนั้นนี่อย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งท่านแสดงว่าภิกษุทั้งหลายเธอควรสร้างอภปมาทะคือความไม่ประมาท คือการรักษาจิตด้วยสติโดยตนเองในฐานะสีจิตของเราอย่าติดใจในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจอย่า ก, กำหนัดนอย่า ก, กำหนัดในธรรมเป็นที่ตั้งความกำหนัดจิตของเราอย่าขัดข้องนะอย่าขัดเคือง ในธรรมอันชวนให้เกิดความขัดเคืองจิตของเราอย่าหลงอย่าลุ่มหลงมัวเมาในธรรมเป็นที่ตั้งความหลงจิตของเราอย่ า, ม, า, ๆๆามัวเมาในธรรมเป็นที่ตั้งความมวัวเมาเมื่อจิตของภิกษุไม่ติดใจในธรรมที่ควรที่ชวนให้เกิดความติดใจไม่ขัดเคืองในธรรมอันพิที่ตั้งในความขัดเคืองไม่ มัวเมาไม่ลุ่มหลงในทำพิตั้งความไม่มัวเมาในทำอันไปตั้งความลุ่มหลงแล้วเธอย่อมไม่หวาดเสียวไม่หวั่นไหวไม่คลั่นคร้าไม่สะดุ้งและไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่พัดถ้อยคําของสมณะอันนี้แปลว่าเวลาท่านละกิเลสได้แล้วราคาโทสะโมหะและความมุ่งหมอมัวเมาทั้งหลายนี่ไม่ไม่ไม่มากุ้มลุมและละได้อย่างเด็ดขาดอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติ บุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่ไม่สะดุ้งสะเทือนไม่ขั้นคล้ามมองเห็นไหมไม่หวาดหวัน่นไม่กลัวไม่ต้องเชื่อคำของสมณะอื่นๆหรือของใครใดๆเลยเพราะว่าตนเองชำระกิเลสได้แล้วแค่อย่างเราเนี่ยแค่เจริญปัญญายาณเจริญความไม่ประมาทเจริญกุศลได้อย่างติดต่อต่อเนื่องมันเข้มแข็งภายในไหมภายในเข้มแข็งขึ้นหม แล้วไม่หวาดหวัน่นไม่สะดุง้งไม่สะเทือนแม้ได้ยินคําใดๆทั้งหลายเหล่านี้จะไม่จะไม่วุ่วายนี่ขนาดนั้นนะถ้ารองละได้จริงๆจะขนาดนั้นนี่อัปมาตถธรรมนี่มันมีพลังอย่างนี้หละนี่นีเป็นอย่างงี้เอออันนี้ก็ก็ยังไม่จบแต่ว่าจริงๆก็คือตรงนี้ได้ได้มุม ตัวสติมีทีระสัญญาปัฏฐานาหรือมีสติปัฏฐานาปัฏฐานานะมีความจําที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดหรือมีกายเวทนาจิตและธรรมะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทังสิดโอ้โหพอพูดถึงกายเวทนาจิตเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของสตินี่ยเยอะมากเลยเห็นไหมหนึ่งสัญญาที่มั่นคงอันนั้นเป็นไปในลักษณะเป็นปกติแต่ถ้าลากยาวไปว่ากายานุปสัสกายานเนี่ยก็เป็นเหตุใกล้ของสติใช่ไหม ตัวกายทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นอาณาปานาก็เป็นเหตุใกล้ของสติอาณาปานาบาปียาบทตรบาปสำปิชน ญ, ญาบัปธาตุมนัสการบาปแล้วก็ป่าช้าทั้ง9้าเวทนาทุกชนิดเป็นเหตุใกล้ของสติหมดจิตทุกชนิดที่เป็นโลกญาจิตเป็นเหตุใกล้ของสติหมดแล้วก็ธรรมะทั้งหมดในโลกใบนี้ในจักรวาลทั้งหลายเป็นเหตุใกล้ของสติหมดนี่ถ้าเป็นนะต้องใช้คําว่าเป็นนะ ถ้าไม่เป็นเนี่ยยากเลยสรุปแล้วก็คือว่าขันห้าขันห้าทุกขันในจักรวาลทั้งรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นเหตุใกล้เกิดสติได้แต่ถ้าคนไม่เป็นนะขันห้าก็เป็นเหตุใกล้ของราคาโทวสามัวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะฉะนั้นทั้งรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวนเป็นเหตุใกล้ของสติได้ถ้าเป็น อันนี้โอ้โหรายละเอียดมันเยอะหรือว่าเราจะเอาแต่ละอย่างว่าเป็นเหตุใกล้ทําให้เกิดสติยังไงจะมานาสิกานยังไงให้สติเกิดจากการได้เกี่ยวข้องพบเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำอย่างไรหนาเราจะมองสิ่งทั้งหลายด้วยความเป็นสติปัฏฐานได้ <c oughs> อันนั้นก็เอาไว้ <c oughs> มีโอกาส ไม่ตายกันซะก่อนก็คงจะได้เห็นว่าเอาสติเอาไอ้คาว่าปฐฐานในพื้นตั้งของสติเนี่ยไอ้คาว่าสติปัฏฐานมันกว้างใหญ่ขนาดไหนที่พระเจ้าแสดงไว้ใช่ไสติปัฏฐานของพวกเราที่เรียนกันมันเล็กมากจํากัดมากอยู่ในห้องแคบๆสติสติสติปัฏฐานของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากใช่ไหมลองนี้นะว่าเวลาพระพุทธเจ้าปุเพนิเจริญปุเพนิวาสานุสิยานอารมณ์ของปุเพน นิวาสานุสติญาณเยอะไหมเยอะไหมนั่นแหละอารมณ์ของสติปัฏฐานนั่นแหละอารมณ์ของสติปัฏฐานนั่นอารมณ์ของสติปัฏฐานมันกว้างใหญ่ขนาดนั้นปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาจายานอาสวะขยายนพญานเหล่าเนี้มีสติปัฏฐานเยเป็นเหตุใกล้ก็บนั่นแหละคืออารมณ์ของสติปัฏฐานเวลาท่านเจริญสติปัฏฐาน เวลาพระพุทธเจ้าเจริญสติปทฏฐานก็โหอารมณ์สติปฐานกว้างใหญ่เออนี่พูดให้เห็นก็ค่า ว, ว่าเออมันยิ่งใหญ่ขนาดานานั่นแหละเราจะได้เห็นว่านี่ไงอารมณ์ของสติปัฏฐานยิ่งใหญ่อย่างนั้นฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงงแสดงสติปัฏฐานที่คว้างกุลุเพราะคนเขาได้อุตุสบายยากฮะสติปัญญาก็ดี <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาส ไ, ไปที่กุลุอีก Okay.